เชิญถาะสอถึง่ะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาจากนี้ไปนะคะจะถึงสิบเอนาฬิกาสมสิบนาทีสวัสดีทั้งท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านแล้วก็สวัสดีพี่ๆนะค ะ, <c oughs> ะน้องก็มีบ้างอยู่ในห้องนี้หลายๆท่านก็เรียกว่าเป็นแฟนประจําของตรงนี้ก็คุ้นเคยกันดีนะคะสําหรับที่นี่ทั้งเรื่องของสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจแล้วก็นํางวัเรื่องของกฎแห่งกรรมเรื่องของกรรมด้วยเรื่องของกรรมเรื่องของบุญเรื่องของธรรมะที่เราคุยกันเป็นประจำนะที่แห่งนี้นะคะ วันนี้ดิฉันอัญชิญพลอหลายๆท่านที่ไม่เคยดูรายการธรรมะที่วัดทางเอ TV ช่องหนึ่งล่ะคะอาจจะเอ๊คุณอัญชิญพลอปกติก็จะคุยเรื่องการบ้านการเมืองนะคะวันนี้มาคุยเรื่องธรรมะแล้วนะคะก็ธรรมะกับการเมืองมันต้องกำกับกันนะคะถ้าไม่เอาทั้งสองอย่างมากำกับกันดิฉันอาจจะเผลอได้ จริงๆที่ทนมีพยานหลักฐานชัดเจนค่ะเพราะว่าท่านบอรพระอาจารย์วุฒิชัยวัชราเมธีจะเป็นพยานสำคัญสำหรับดิฉันเลยนะคะว่าจริงก็คุยธรรมะได้นะคะวันนี้กราบนาวัชการค่ะพระอาจารย์ค่ะจริงๆเราคุยธรรมะกันมาหลายเดือนแล้วนะพระอาจารย์จริพรก็ไ <c oughs> ม่ไม่ใช่แค่คุยธรรมะไปแสแวงบุญที่ศรีลังกากับอาตมามาเลยก็ไปทั้งสแสวงบุญไปทั้ง คือเวลาเราจะทําอะไรส่วนหนึ่งนะคะอาจารย์คะเราก็ต้องต้องพยายามเพิ่มความรู้เรียนรู้ฮะแล้วก็เห็นโลกเห็นอะไรมากๆเพื่อได้จะเอาข้อมูลเนี่ยมาใช้ในการทํางานนะคะอาจารย์คะพระอาจารย์เองก็พยายามที่จะเปิดหูเปิดตาคนที่ทํางานก็เช่นเดียวกันทั้งเรื่องการเมืองเรื่องธรรมะนะคะอาจารย์คะวันนี้เราตั้งข้อที่จะคุยกันเรื่องของกฎแห่งกรรมธรรมะที่ยังอินเทรนก่อนที่จะเริ่มรายการได้สนทนากับพระอาจารย์ก่อนว่าพระอาจารย์เราจะไปทางไหนดี เพราะว่าเหมือนกว้างนะคะเรื่องนี้แล้วเราจะคุยกันสักสองชั่วโมงเดี๋ยวจะได้อะไรไม่คุ้มก็เลยตกลงกับพระอาจารย์พระอาจารย์ก็แนะว่าเอาอย่างนี้เริ่มต้นเรามาปรับผ่านให้เข้าใจพื้นของคําว่ากฎแห่งกรรมในทางที่ถูกที่ควรอาจจะเป็นเรื่องของหลักวิชาการซึ่งจำเป็นเลย<ช>ถ้าพื้นเข้าใจไม่ตรงกันแล้วก็เราก็คงจะถามกันเรื่องพูดผีเทวดาตัดกรรมกันตั้งแต่เริ่มต้นแลยใช่ไหมเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะเล็งเป้าหมายเลิศ คือต้องไม่เอากำใช่ไหมคะเพราะนั้นเดี๋ยวเราปรับฐานกันก่อนเราปูพื้นฐานวิชาการเรื่องของกรรำเรื่องของบุญเรื่องของธรรมที่ถูกต้องเสร็จแล้วเนี่ยค่อยไปสิ่งที่ท่านสงสัยปริกย่อยเชื่อไม่เชื่อแล้วจะยังไงกันต่อเดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะถ้าอย่างงานันขอเริ่มต้นถามอาจารย์ก่อนความหมายความหมายของกรรมกฎแห่งกรรม ในระดับทั้งชาวบ้านแล้วก็ในระดับในเชิงวิชาการที่คิดว่าถูกต้องและควรจะเป็นเป็นยังไงครับอาจารย์คะเอาระดับชาวบ้านก่อนค่ะคือชาวบ้านของเราเนี่ยมักจะเข้าใจกรรมผิดผิดเร็วๆนี้สมาภาพได้อ่านหนังสือภาษาอังกฤษที่เขียนโดยพระไทยที่ไปอยู่เมืองนอกท่านก็ยังไปสอนฝรั่งผิดผิดนะทําคนไทยโง่ยังไม่พอฝรั่งเลยฝรั่งเพี้ยนเองเห็นไหม เพราะฉะนั้นบางทีก็ไม่ได้มีแต่ชาวบ้านเท่านั้นที่เข้าใจผิดค่ะแม้แต่พระของเราเองเนี่ยก็ยังเข้าใจในกรอบความคิดเช่นเดียวกันกับชาวบ้านดังนั้นถ้าพูดถึงเรื่องกรรมต้องพูดถึงความหมายทั่วไปในระดับสามัญที่ชาวบ้านชาวเมืองเข้าเข้าใจก่อนคือเราต้องรู้ก่อนว่าอะไรคือสิ่งที่ผิดเราถึงจะมองเห็นว่าอะไรมันถูกต้องค่ะความเข้าใจของชาวบ้านเนี่ยพอพูดถึงกรรมมักจะมองในแง่ลบเช่นก็ถูกยิงโป้งเดียวเนี่ยตาย ก็ไปยิงเข้ามาก่อนหน้านี้เนี่สมแล้วกับกรรมของเขาอย่างเงี้ยใช่ไหมค่ะแล้วก็ทําอะไรไม่ดีค้าขายทํามาค้าไม่ขึ้นถูกโกงถูกแล้วกรรมเนี่ยนะทำอะไรไอะไรไว้ก็ไม่รู้มีกดมีกรรมอยู่นั่นแหละใช่ไหมค่ะท่านไปถามชาวบ้านเนี่ยรู้ไหมเกิดมาทําไมเกิดมาใช้กรรมท่านอะเห็นไหมเกือบร้อยทั้งร้อยร้อยทั้งร้อยเลยไปถามเพราะฉะนั้นพูดถึงความหมายของกรรมในภาษาชาวบ้านเนี่ยเป็นกรรมในเชิงลบหมดเลยค่ะ คือคิดว่าเรื่องกรรมเนี่ยเป็นเรื่องผลของกรรมที่ไม่ดีและเป็นผลที่มาจากอดีตซะส่วนมากเห็นไหมนี่คือความหมายระดับชาวบ้านที่เข้าใจกันทั่วไปเป็นการเข้าใจความหมายของกรรมที่ผิดอย่างแทบจะสิ้นเชิง <ทะ S 2> นั่นก็คือถ้าพูดถึงกรรมคิดว่าเป็นเรื่องในอดีตสองคิดว่าเป็นเรื่องซึ่งเกิดขึ้นจากการทําไม่ดีไม่งามมาก่อนและสามดังนั้นจึงทำให้เข้าใจว่าคําว่ากรรมเนี่ยหมายถึงแต่กรรมชั่วเท่านั้นค่ะ แท้ทีจริงความหมายของกรรมในพระพุทธศาสนากรรมนี้เป็นคํากลางๆ ก, กรรมกรรอหันหม้านี่นะถ้าดูถึงรักท์เนี่ยแปลว่าการกระทําหมายความว่าคุณทําอะไรก็ได้ก็ถือว่าเป็นกรรมหมดไม่ได้แยกว่าดีหรือไม่ดีไม่ได้แยกว่าดีหรือไม่ดีมันเป็นคํากลางๆ ก, กรรมเท่ากับการกระรทําค่ะทีนี้อันนี้ก็เป็นความหมายตามตัวอักษรแต่ความหมายที่แท้จริงในพระพุทธศาสนา คอนเนตว่าในพระพุทธศาสนาเพราะอะไรเพราะว่ากรรมเนี่ยมีสอนในศาสนาอื่นด้วยอืเดี๋ยวจะพูดต่อไปค่ะมีสอนในศาสนาอื่นด้วยแต่กรรมในพระพุทธศาสนาเมื่อเราพูดถึงคําว่ากรรมความหมายที่แท้จริงพระพุทธเจ้าบอกว่าเรากล่าวเจตนานั่นเองว่าเป็นตัวกรรมมนุษย์คิดแล้วเนี่ยจึงแสดงออกทางกายและทางวาจาเห็นไหมเพราะฉะนั้นตัวเจตนานั้นแหะคือรากฐานของกรรมหรือคือตัวกรรมเสียเอง กรรมมีสากรรมหนึ่งมโนกรรมกรรมทางใจวจีกรรมกรรมทางวาจาและก็กายกรรมก็มาถึงกรรมทางการกระทํากายกรรมไม่ใช่กายกรรมเพี่ยมยามตีลังกาตีลังกาไม่ใช่เห็นไหมในบรรกรรมทั้งสามเนี่ยคือมโนกรรมวจีกรรมกายกรรมกรรมที่เป็นรากฐานของกรรมทั้งหมดก็คือมโนกรรมเพราะเราเพ่งไปที่เจตนา ตอนนั้นเวลาเราทําอะไรแล้วเราไม่มีเจตนาเนี่ยจะถือว่ายังไม่เป็นกรรมตา ม, ตามความหมายที่แท้ถึงจะทําผิดก็ตามเหรอพระอาจารย์ถึงจะทําผิดนนแต่แต่ถ้าไม่มีเจตนาเนี่ยก็ยังไม่เป็นกรรม mm hmm. เช่นตัวอย่างในครั้งพุทธกาลมีพระอรหันต์ร่วมหนึง่งท่านมาเดินจงกรมแล้วท่านเหยียบมแมลงค่อมทองหรือมแมลงเม่าเนี่ย ท, า, ทายเป็นเบือเลย mm hmm. ก็มีพระมาฟ้องพระพุทธเจ้าว่าทําไมพระอรหันยังทําปาณาติบาตฆ่าสัตว์ตัดชีวิตได้ยอย่างไรเป็นพระอรหันต์พระพุทธเจ้าบอกว่า ท่านไม่มีเจตนาในการฆ่าสัตว์แต่ชีวิตแม้แต่น้อยเพราะเป็นพระอรหันต์แต่ที่ท่านไปเหยียบสัตว์ตายเพราะว่าท่านตาบอดเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านทําไม่ถือว่าเป็นกรรมมันเป็นแค่กิริยาเห็นัน้มเป็นกิริยาเห็นไหมมันไม่เหมือนกันนะทั้งที่ฆ่าสัตว์เดียวกันนะถ้าทําแล้วมีเจตนากรรกับทุกครั้งมันจะเป็นกรรมและผลของมันจะกลายเป็นกฎแห่งกรรมหรือเรียกว่าวิบากก็ได้แต่ถ้าเราทําโดยที่ไม่มีเจตนาประกอบอย่างนั้นมันเป็นกิริยา หรือบางทีอาจจะใช้คําร่วมสมัยว่าเป็นสัญชาตญาณเช่นเรานั่งอยู่ยุงมากระดับตบปุ๊บเจตนามันไม่มีแต่ ม, มันตบเพราะอะไรเพราะมันเจ็บใช่ไหมมันคันอันนี้มันก็ถือว่ายังไม่เป็นกรรมเพ่าะอร่เพราะสัญชาตญาณมันพาไปแล้วพอเดินออกไปไปชนคนโครมไม่มีเจตนาจะตั้งใจชนเลย อย่างนี้ก็เป็นได้แค่กิริยาเท่านั้นเองแต่ถ้าเห็นยุงบินกลวงมากัดลูกไล่ตกมันหรอคะโอ้ถ้ามันบินมาเราบอกมาเลยเดี๋ยวเสร็จชั้นหนึ่งยุงกำลังข้ามืออย่างนี้เออบางทีการมุ้งให้ยุงใช่ไหมนั่งดูโทรทัศน์ดูจิ้งจกมาเท่านั้นเอาเอาหนังยางยิงอ่าพวกนี้กันหมดเลยเพราะเจตนาใช่ไหมแต่นั้นถ้าถามว่ากรรมในพระพุทธศาสนาหมายความว่าอะไรก็หมายความว่าการกระทําที่มีเจตนาเป็นตัวนํา การกระทำที่มีเจตนาเป็นตัวกรรมกับหรือการกระทำที่ประกอบด้วยความจงใจ จ, <า>จ<า>ึงจะเป็นกรรมหรือไม่ดีก็ถือเป็นกรรมทั้งหมดจริญอพอนค่ะทีนี้ก็ชัดเจนแล้วใช่ไหมล่ะค่ะอันนี้ตามหลักศาสนาอ่าอันนี้แยกแยกให้ชัดเลยนะว่ากรรมในภาษาชาวบ้านอย่างที่เข้าใจกันทั่วไปนั้นมาถึงกรรมในอดีตมาถึงกรรมคือผลผลของกรรมแล้วก็และเป็นผลของกรรมที่ชั่วด้วย แต่กรรมในพระพุทธศาสนาในแง่พันธสัจคาว่ากรรมเป็นคํากลางๆไม่ดีไม่ชั่วแต่ในแง่พุทธศาสตร์ที่แท้จริงการกระทําที่ประกอบด้วยเจตนานี้เองคือกรรมในศาสนาอื่นคําว่ากรรมมีความแตกต่างจากศาสนาพุทธเยอะไหมในศาสนาอื่นที่สอนเรื่องกรรมก็คือศาสนาเชนหรือเชนในซึ่มเขาสอนพระพุทธเขาสอนศาสนาเขาสอนเรื่องกฎแห่งกรรมแต่มันต่างจากกฎแห่งกรรมของพระพุทธศาสนาตรงไหนคือเชนเองเขาสอนเรื่องกรรมเก่า กรรมเก่าก็คือกรรมลิริผนั่นเองเขาบอกว่าชีวิตของเราที่เกิดมาทุกวันนี้เป็นผลมาจากกรรมเก่าซึ่งเราได้สั่งสมเอาไว้นับภพบนับชาติไปทุ่นออืเราเป็นอย่างทุนนี้ทุกวันนี้เพราะว่ากรรมเก่าเนะี่ยมันทาเป็นคล้ายๆกับพุทธเราไหมคะมันมีส่วนคล้ายแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดค่ะคือกรรมเก่าเนี่ยมันหมายความมาเช่นเขาบอกว่าเราแก้อะไรไม่ได้แล้วเพราะที่เรามาอยู่ทุกวันนี้เราเป็นผลผลิตของกรรมเก่าเรียบร้อยแล้ว บังนั้น oh. ชติ น, นี้คุณไม่ต้องทําอะไรนะคุณใช้กรรมไปคุณแก้กรรมของคุณไปกรรมมันจะได้หมดจะได้จบจะได้สิ้นกันไปทำดีก็ไม่ช่วยทําชั่วก็เท่าตัวเข้ า, าถุอ้าถ้าถือตามศาสนาเชนเนี่ยมนุษย์เป็นหุ่นยนต์ที่ถูกไขาลามเรียบร้อยแล้วเพราะคุณคือผลผลิตของกรรเก่า oh. คุณไม่ต้องทําอะไรมากชาติ น, นี้เพราะถึงจะทํายังไงการเก่ข้าโปรแกรมให้เรียบร้อยละ ค่ะมานั่งอยู่ตรงนี้เดี๋ยวมันจะพาไปเองเดี๋ยวคุณจะรวยอ้าวแต่ว่าถ้ามองถ้ามองรอบด้านมีข้อสั่งสอนข้ออื่นของศาสนาเขาก็ให้ทําดีไม่ใช่ว่าให้อยู่เฉพาะแต่กรรมเจริญพรดังนั้นเรื่องกรรมนี้ต้องแยกให้ชัดว่าค่ะในศาสนาเชนซึ่งสอนกใกล้เคียงกับพระพุทธศาสนามากเลยเราต้องแยกให้ชัดเขาสอนกฎแห่งกรรมก็จริงแต่กฎแห่งกรรมของเขาเป็นเรื่องของกรรมเก่าค่ะกรรมเก่า ก, ก็คือกรรมที่ทํามาแล้วในอดีตชาติส่งผลมาจนถึงปัจจุบันแล้วเราแก้ไขอะไรไม่ได้ ชีวิตของเราเป็นชีวิตที่เหมือนหุ่นยนต์ซึ่งถูกไขาลานวางโปรแกรมเรียบร้อยเอาไว้แล้วเราไม่มีสารภาพในการดําเนินชีวิตสามที่หนึ่งเขาเรียกว่ามนุษย์ไม่มีเจตจํานงเสรีที่จะคิดที่จะพูดที่จะทําอะไรเพราะอะไรกรรมเก่ามันล็อกโปรแกรมชีวิตเราเอาไว้หมดเลยค่ะนี้ในไหนพูดแล้วก็อยากจะพูดถึงลทัทธิสามลทัทธิที่สวนทางกับพระพุทธศาสนาค่ะพระพุทธเจ้าบอกว่าพุทธศาสนาถือว่าเวลาเราจะเรียนเรื่องกรรมให้เข้าใจ ต้องเข้าใจสามลัทธินี้ก่อนไม่งั้นเราจะพลาดจากพุทธศาสนาเพราะมันใกล้เคียงกันใก<ช>ล้กันมากเลยลัทธิสามอย่างนี้เป็นลทันนลทธินอกพระพุทธศาสนาแต่บางครั้งถ้าเรารู้ไม่เท่าทันมันจะแฝงมาอยู่ในพุทธศาสนาเป็นความงมงายในนามพุทธขออนุญาตเดาได้ไหมคะไสยศาสตร์มีส่วนพราหมณ์มีส่วนอีกอันหนึ่งนึกไม่ออกนึกออกไหมคะเตือนหอนสามลัทธินะั้นหนึ่งลัทธิกรรมเก่า ออมีทัศนคติกำกันนี่เลยต้นต้นเลยค่ะต้องยัยให้ชัดนะเพรา ะ, ค, ะคนไทยอตาตมาคิดอย่างนี้คนไทยทุกวันนี้ถ้าพูดถึงกรรมเนี่ยตกไปในละทีก่กรรมเก่าหมดเลยใช่ไหมเหมือนผู้หญิงคนหนึ่งถูกกระทําชำเรามีคนพาไปหาผู้รู้เรื่องกรรมนั่งวิปัสนาผู้รู้เรื่องกรรมก็ น, นั่งวิปัสนาดูบอกว่าลูกลูกไม่ต้องไปทําอะไรนะชาติก่อนลูกละเมิดศินข้อสามการเมินสุขมิจฉาจาร์ชาตินี้ลูกจึงถูกกระทําชำเราตํารวจก็เลยไม่ตามผู้ร้ายเลย แล้วก็ไม่เคยไปตามที่ตำรวจเพราะมไม่จับผู้ร้าไม่ต้องยุ่งแล้วเพราะมันเป็นกฎแห่งกรรมไงตำรวจก็ไม่ต้องเพราะผู้ร้ายมันอยู่ชาติที่แล้วนี่ี่คือลัทธิกรรมเก่าคุณไม่ต้องใช้กฎหมายเพราะมันเป็นคนรับคนละชาติเห็นไหมคนไทยเป็นอย่างนี้เกิดมาจนไม่ต้องไปทําอะไรหร่อผู้ชาติแล้วเราไม่ได้ให้ทานเราก็จนไปสิชาตินี้ก็ให้ทําบุญเยอะๆใช่ไหมใช่ไหมทำบุญหมดเนื้อหมดตัวเสด็จหังคนละชาติน่ะแล้วคนที่รวยมากๆเราก็บอก เ, ออเขาคงทำบุญมาเยอะเนาะกรรมเก่าเขาดีทั้ ง, งทั้งที่เขากงเรานี่แหละเขาทึงรวยห <laughs> เห็นไหมนี่คือลัทธิกรรมเก่าทำให้คนไม่สร้างสรรพัฒนาแล้วก็ยอมจำนนต่อชีวิตลัทธิไม่มีเหตุผลอ่าเจริญพรสองลทัทธิเทพเจ้าบรนดานลัทธิเทพเจ้าบันดานล เ, านดานเนี่ยตอนนี้อัตามาก็ไม่ต้องยกตัวอย่างไกลเลยนะขอพายที่ที่เอ่ยชื่อเอ่ยชื่อด้วยด้วยด้วยความที่ยอมรับ ในอิสรภาพทางความคิดความเชื่อของคนไทยแต่ในฐานะที่เป็นพระในพระพุทธศาสนาก็อยากจะเอ่ยตรงๆอย่างนี้แหละว่าตอนนี้ลทิทฐิเทพเจ้าที่โดดเด่นที่สุดก็คือเรื่องจตุคามรามเทพนะจตุคามรามเทพที่พู ด, พดได้ในทันทีท่านไม่มีค่ะหมดหวัวไม่มีไม่มีถนะคือจะมาน้นว่าเดี๋ยวพูดเรื่องจตุคามแตข้างในยมมีไม่มีค่ะ คือลัทธิจัตุคามรามเทพคือตัวอย่างของลัทธิเทพเจ้าบรรดานที่กำลังมาแรงที่สุดเมื่อสามวันก่อนอาตมาพาพอ่านหนังสือพิมพ์ข่าวสวดค่ะ<า>เจอรถคันหนึ่งประสบอุบัติเหตุชนกันรถคันนั้นเนี่ยเป็นรถที่บรรทุกจัตุคามรา ม, มาเทพห้าร้อยกล่องหกหมื่นองถูกต้องอาตมาก็สงสัยว่าทำไมองค์เทพไม่ช่วยคนขับรถห้อยอยู่ที่คอทั้งหมดหกอง เห็นัหมเขาว่ากันว่าพวกผู้ตลกก็บอกว่าหกองที่ค้องที่คอเนี่ยเกี่ยงกันอ๋อจะเดินทาก็เทพใส่เกี่ยวว่างเกี่ยงกันไม่รู้องค์ไหนจะช่วยคนขับตายท่ที่ไปชนท้ายรถสิบล้อค่ะนั่นแหละคือปัญหาน่ะเพราะฉะนั้นทุกท่านก็ลองคิดดูซิวัลที่เทพเจ้าบรรดางตอนนี้กำลังเป็นข่ายหรือเป็นแหที่ครอบลงมาบนหัวคนไทยค่ะ แล้วมนุษย์นี่เกิดมาทําไมถ้าเกิดมาแล้วไม่ทําอะไรให้เทพทําแทนทั้งหมดเนี่ยใช่ไหมไม่ต้องเรียนหนังสือจบสูงๆเราเพราะอะไรเพราะว่าเรียนมาก็ไม่มีประโยชน์เพราะถึงเวลาค้าขายคณก็ขอให้เทพช่วยอยู่ดีค่ะไม่ต้องเสียเวลาเรียนก็ได้ถ้าเช่นนั้นอันนี้คือหั้ที่เทพเจ้าบัณฑ์ที่พระพุทธเจ้าทรงบอกว่าขัดแย้งกับความจริงตามธรรมชาติสมัยพระพุทธเจ้ามีเทพไหมคะมีเทพเจ้ามากด้วยอันตมาภาพเพิ่งไปอินเดียมาเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้ว อินเดียเนี่ยเป็นเมืองที่มีเทพเจ้ามากที่สุดในโลกกล่าวกันว่าเทพเจ้าในอินเดียเนี่ยมากประมาณเดียวกันกันกบเม็ดทรายในแม่น้าําคงคาแต่จริงจริสถิติคนโจนที่สุดในโลกไปกองอยู่ที่อินเดียเท่าเม็ดทรายในแม่น้ำํำคงคาแล้วเมืองหลายเมืองอย่างเมืองเมืองพาราณสีเป็นเมืองของพระศิวะเองค่ะก็เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยขอทาน ถ้าเทพเจ้าช่วยได้จริงเทพเจ้าทำไมแม่นเนรามิทขอทานให้หมดไปเลยจากเมืองได้ไหม ถ, ถ้าหากว่าเราคิดกันตามหลักเหตุผลนะเป็นเพราะว่าคนที่นั่นถูกสอนให้เชื่อให้บูชาให้พึ่งพาคนอื่นก่อนที่พึ่งพาตัวเองจเรนพรอแต่มาคิดอย่างนี้ว่ามนุษย์ทุกคนเมื่อเกิดมาแล้วะจะมีศาสนา สำเร็จรูปรอเราอยู่แล้วเช่นคนไทยเกิดมาเราก็เป็นชาวพุทธอยู่แล้วอทีนี้พอคุณเกิดมาปุ๊บอ๋อก็เป็นกันมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่เป็นชาวพุทธคุณก็ไม่ตั้งข้อข้อสังเกตกับสิ่งที่คุณนับถือค่ะคุณก็นับถือต่อกันไปโดยที่ไม่ถามว่าแล้วที่เรานับถือนี้ถูกหรือไม่ดังนั้นคนนี้ก็เกิดมาในวัฒนธรรมเทพเขาก็นับถือเทพต่อไปค่ะและตรงนี้เป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งในการพัฒนาประเทศของเขาด้วยนั่นก็คือทําให้คนของเราเนี่ยงอมืองงอเท้าอยากได้อะไรก็บูชาบวงสรวงเส้นไหว้ ขอพรพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ว่าถ้าเราสามารถที่จะขออะไรก็ได้จากเทพทั้งหลายมนุษย์นี้จะมีคนผิดหวังหรือไม่เห็นหมบางครั้งตรงก็ตรัสลึกไปกว่า น, นั้นอีกนะว่าถ้าเราโยนก้อนหินลงน้ำขอให้ก้อนหินลอยก้อนหินจะลอยไหมไม่ลอยค่ะก้อนหินไม่ว่าจะก้อนเล็กก้อนใหญ่ไม่ลอยถ้าโดนโยนลงน้าไม่ลอยเราก่อไฟควันไฟก็จะต้องพุ่งขึ้นสู่ฟ้า แล้วก่อไฟเสร็จแล้วอ้อนวอนบอกว่าเทพอัคณีจ๋าช่วยทำให้เปลวไฟแล้วก็ควันไฟเนี่ยลอยลงดินได้ไหม <c oughs> เทพอัคานีก็ทำไปได้ธรรมชาติของเห็นจมค่ะ <c oughs> ธรรมชาติของควันไฟล อ, อยขึ้นฟ้านี่คือกฎความจริงทางฟิสิกส์ที่มันเป็นอย่างนี้ตามธรรมชาติเป๊ะๆเทพเจ้าอะไร ไม่สามารถดนบันดาลกฎความจริงอย่างนี้ให้ปิดให้เพียนได้เลยเพราะนี่คือความจริงตามธรรมชาติในขณะที่ศาสนาพุทธคําพูดของพระพุทธเจ้า น, นั่นคือหลักวิทยาศาสตร์เชิญทอนทุกอย่างดังนั้นลทัทธิที่สองก็คือคลทัทธิเทพเจ้าบันดาลถ้าพูดอย่างตรงไปตรงมาลทัทธินี้เป็นลัทธิที่พระพุทธศาสนาไม่เห็นด้วยอยู่ตรงกันข้ามตรงกันข้ามนี้ต้องต้องฟังให้ชัดทุกท่านที่อยู่ในห้องส่งด้วยนะคะอย่าบอกว่าลัทธินี้ท่านวอไม่เห็นด้วยนะมไม่ใช่นะ ไม่ใช่พระพุทธเจ้าท่ า, ทาทไน<ด>ไม่เห็นด้วยพระพุทธศาสนาไม่เห็นด้วยมีคำตรัสไหมคะตรัสไว้ชัดเจนเลยว่าลัทธิทั้งสามที่ธาตมภาพพูดเนี่ยพระพุทธองค์บอกว่าใครสมาธานข้าวแล้วจะทำให้ขาดความวิระยะอุตสาหะไม่บริหารจัดการชีวิตของตัวเองจะกลายเป็นคนที่งอมืองอเท้าไม่ก้าวหน้าเห็นไหมแล้วก็ลัทธิสุดท้ายลัทธิแล้วแต่โชคชะตาราศีจะให้เป็นไป อาดมา ก, ก็ไม่อยากจะใส่ร้ายสังคมไทยนะพูดนที่ไหนมันก็เจอทุกแห่งแล้วรู้สึกว่าจะรู้เรื่องรู้เรื่องมากาตอนนี้อาชีพหนึ่งซึ่งไม่เคยเอาเทรนดเลยนะไม่ว่าเศรษฐกิจจะดีไม่ดีนิ่เศรษฐกิจไม่ดีอาชีพนี้ยิ่งดีเลยนะหมอดูหมอดูแล้วหมอดูมักจะผูกกับเทพนะช่วงหลังๆคือเขาเขาทำงานร่วมกันคือหมอดูหมอ ด, มอดูดูเสร็จแล้วก็ส่งไปให้เทพ ทำงานต่ TM คอคือคต้องทำงานเข้าขากันถ้าไม่เข้าขากันอยู่ลําบากเลยแล้วบางทีก็มีพระเป็นผู้ช่วยเจิรันพรพระก็ต้องบอกว่าพระบางรูปค่ะน่ะที่ไม่ได้เรียนพระพุทธศาสนาอย่างเป็นเรื่องเป็นราวก็คิดว่าสิ่งที่ตัวเองกำลังสอนนั้นเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆไม่ใช่เป็นแค่ทัศนะซึ่งมัวๆมองๆพระผ้าของตัวเองเท่านั้น่ะแล้วก็ออกไปพูดพอออกจากปากพระคนก็นึกว่านั่นเป็นพระพุทธศาสนาแท้ที่จริงก็จึงมีคน จำนวนมากที่เผยแผ่ความองไงในานามของพระพุทธศาสนาเห็นไหมว่าลัทธิที่สาคือลทัทธิโชคชะตาราศีทําให้คนไทยแตกตื่นกันทั้งประเทศค่ะทุกท่านจำได้ไหมตอนสิ้นปีมีคําทํานายปีนี้ออกมาปีสองห้าไม่มีดีเลยเมืองไทยจะกะลียุคครั้งใหญ่หุ้นจะตกระเนระนาดผู้ใหญ่ในบ้านเมืองจะเสียชีวิตเครื่องบินจะตกแผ่นดินจะถลม่มน้ําจะท่วมกรุงเทพเสือนามิจะมาอามอาอ่านแล้วหายใจไม่ทัน อะไรเนี่ยฉันต้องย้ายหนีเลยเนี่ยอาตมาต้องไปจำพรรษาบอสตันไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้เห็นไหมแล้วเราตกใจขนาดไหนคิดโครงการทําบุญประเทศเดืนหน้าแสดงว่าเราเซนซิทีฟกับหมอดูไหมอาตมาอยากจะถามมาแล้วอย่างนี้เนี่ยเราเรียนหนังสือกันสูงๆทําไมคนไทยในเมื่อคุณเรียนมาคุณก็ไม่ได้ใช้สติปัญญาไม่ใช้เหตุผลกันเลยอ่ะถ้าหากว่าทําบุญประเทศแล้วเข้าเกียร์ว่างกันหมดเลยดีไหมฮะท่านอาจารย์ ถ้าถ้าสิ่งเหล่านี้มันช่วยได้จริงเนี่ยประเทศไทยไม่ต้องทําอะไรมากทั้งประเทศพร้อมใจกันจุดทูบหนึ่งหลังคาเรือนต่อนนทุบหนึ่งก้านเป็นเวลาร้อยวันติดต่อกันเอาเลยหนึ่งหนึ่งหลังคาเรือนต่อทุบหนึ่งก้านเป็นนโยบายเลยเอาเลยอ้อนวอนอาตมาว่าแทบข้างบนเป็นมะเร็งเลยควันรูปเข่าจะมูกทุกวันนี้คนทุจกจัก คนคนจีนคนมาเลคคนสิงคโปร์ uh huh. ที่ทํามาค้าขายเนี่ยเขาอยู่ได้ด้วยการบนบานสัง่าวเป็นจํานวนมากเห็นไหมเพราะฉะนั้นแล้วยังมาแถมคนไทยเข้าไปอนะีกเทศเนี่ยตัวดําเป็นเหนี่ยงเลยนะเ <c oughs> พระาะฉะนั้นแล้วคําว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่นี่ไมันมักจะคู่กับสิ่งเหล่านี้เช่ไหมตอน<ะ>อันนี้เป็นทัศนะของคนที่รู้อะไรครึ่งครึ่งกลางกลางกึ่ ง, ง, ง, ง, ง, ง, งดิบกึ่งดี ค่ะก็เลยเขียนคาถาออกมาว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่ทัศนะอย่างนี้ไม่มีอยู่ในพุทธศาสนาพุทธศาสนาจะบอกว่าไม่เชื่อควรพิสูจน์นี่คือทัศนะของพุทธไม่เชื่ออย่าลบหลู่นี่เป็นทัศนะของคนที่หงอกลัวแหย่ yeah. ไม่กล้าทําอะไรเจออะไรที่ทแปลกแปลกใหม่ๆก็ไม่กลา้าพิสูจน์ก็เลยกลัวๆ ก, กันไปงิบเงิบงิบเกันไปเห็นอะไรก็ไม่รู้มืดมเดแต่คุ้มแต่ร์คุ้มผีน ะ, ะเห็นไหมพอเข้าไปพิสูจน์มันจะมีอะไร พุทธศาสนาเนี่เกิดขึ้นจากการที่สงสัยในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วพยายามพิสูจน์เห็นไหมนักวิทยาศาสตร์ของโลกก็มาจากการพิสูจน์ใช่ว่าขัดแย้งกับศาสนาเชื่อมั่นใช้หลักการเดียวกันเดี๋ยวก่อนที่จะไปรื่อขอสรุปนิดหนึ่งว่าตกลงลัทธิที่นอกสามลัทธิพทธศาสนาสลัทธินะหนึ่งลัทธิแล้วแต่กรรมเก่าคสองลัทธิแล้วแต่เทพเจ้าบรรดาลและสลัทธิแล้วแต่โชคชะตาราศีจะพาให้เป็นไปสมลัทธินี้ต้องแยกให้ชัดว่าไม่ใช่เหนือกษัตริย์ของพุทธศาสนา เป็นพุทธศาสนาเนื้องอกนี่คำของท่านอาจารย์พุทธทาสาถ้าคําของพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าลัทธินอกพระธรรมวิในเอาอย่าไปคิดภาษาลัทธินี้เป็นพุทธศาสนาต้องเอาตะแกรงมาร่อนออกทิ้งไปแล้วเอาแจกเกล็ดแท้ๆของพระพุทธศาสนาเอ๊ะท่านพุทธทาสนะคะท่านมีมีวัตถุมงคลอะไรของท่านเยอะไหมคะวัตถุมงคลของท่านก็มีแต่หนังสือเท่านั้นเองไม่มีอย่างอื่นเลยนะ วัตถุมงคลของท่านที่ท่านทำก็คือหนังสือทั้งชีวิตค่ะท่านทําแต่หนังสือเอาไว้ทั้งหมดมนอกจากท่านอาจารย์พุดท่านแล้วแตา่มายอยากจะนึกถึงหลวงปู่อีกหลายๆองค์เช่นหลวงปู่ดนอาตุโลค่ะหลวงปู่ก็เป็นพระวิปัสสนาจารย์ถือว่าเป็นเพชรน้ําหนึ่งค่ะเช่นเดียวกับหลวงพ่อชาสุภโตหลวงปู่มั่นภูริทัตโตค่ะวันหนึ่งมีโยมคนหนึ่งไปขอชานหมากหลวงปู่โดนหลวงปู่โดนเคี้ยวหมากแล้วก็ทาชานหมากทิ้งหลวงปู่เจ้าคะ โยมขอชานมากหลวงปู่หลวงปู่บอกเอาไปทําไมของสกรปรก <c oughs> อาตมาอยากจะเห็นพระสงฆ์ไทยของเราสอนพระพุทธศาสนาตรงไปตรงมาอย่างนี้ค่ะนี่คือพระพุทธศาสนาเนื้อแท้สมบูรณ์ด้วยเหตุด้วยผลตรองตามให้เห็นจริงได้ค่ะแยติโยมของเราทุกวันนี้เนี่ยถูกมอมถูกเมา อ, อยู่แล้วด้วยลัทธิต่างๆมากมายมาหาพระพุทธศาสนาก็หวังว่าจะได้ดวงตาเห็นธรรมบางทีถูกมอมหนักขึ้นไปอีก เห็นไหมเพราะฉะนั้นเราต้องมาทําความเข้าใจก่อนว่าอะไรที่เป็นเนื้อแท้ของพุธและอะไรก็ที่เป็นสิ่งแปลกปลอมตอนนี้เราได้สิ่งแปลกปลอมสามอย่างค่ะเราแยกออกแล้วนะว่าอะไรเป็นอะไรค่ะแล้วทีนี้สิ่งเหล่านี้เมื่อกี้นี้ต้องพูดต้องขยายหน่อยนะคะเพราะว่าเราก็อยากให้สืบกับสังคมนะคะอันนี้มันก็เกี่ยวข้องกับกรรมเพราะเราเชื่อว่าถ้ามีอย่างนั้นแล้วอาจจะกรรมไม่เกิดหรือวันตัดกรรมได้แล้วกฎแห่งกรรมเนี่ยมีจริงไหมคะอาจารย์คะกฎแห่งกรรมเนี่ยเป็นกฎที่มีจริง โดยที่ไม่ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อไม่ว่าจะนับถือศาสนาไหนจิรันพรท่านเรียกว่ามันเป็นเรื่องที่เหนือความเชื่อค่ะทําไมเหนือความเชื่อเพราะมันเป็นความจริงที่มีอยู่แล้วก่อนพระพุทธเจ้าจะเสด็จอุบัติด้ด้วยซ้ำไปค่ะดังนั้นคุณจะเชื่อคุณจะไม่เชื่อกฎแหงกรรมเขาไม่ง้อคุณเลยนะค่ ะ, คะเขามีของเขาอยู่แล้วเหมือนเหมือนโลกหรือระบบสุริยะจั ก, กรวาลที่มันมีดวงดาวมากมายนับกันไม่ท้วน แล้ววันหนึ่งมนุษย์ก็เข้าใจว่าโลกแบนโลกเนี่ยเขากลมอยู่แล้วเขาไม่ทุกข์ไม่ร้อนหดอกจากการที่มนุษย์เข้าใจว่าเขาแบนจะมองไงก็มองไปใช่ <c oughs> ก็าบอกฉันไม่แคร์ฉันเป็นความจริงความจริงของฉันคือกลม <c oughs> เห็นไหมเพราะฉะนั้นเขาก็เข้าใจอย่างนี้วันหนึ่งการ์ลีเลโอสองกล้องค่ะ <c oughs> ก็ได้ค้นพบความจริงมากมายแล้วก็เลยเข้าใจว่าโอ้โลกเหล่านี้กลมเนาะแล้วก็พระอาทิตย์เนี่ยเป็นศูนย์กลางของจักรวาลคํำสอนอย่างนี้เนี่ยไปสวนทางกับคําสอนของาศาสนาจักรค่ะ ในสมัยยุคของกาลิเลโอที่เขาเรียกกันว่ายุคกลางศาสนจักรก็เอากาลิเลโอไปสอบสวนขึ้นสารไต่สวนกว็ผิดบอกว่าให้เลิกคําสอนของท่านเพราะคําสอนของท่านเนี่ยมันมันตรงกันข้ามกับศาสนจกักรแต่เชื่อไหมเมื่อสิบ ป, ปีที่แล้วนี่เองศาสนจักร <ขอ S 2> ได้ออกมาขอโทษกาลิเลโออย่างเป็นทางการว่าเข้าใจกาลิเลโอผิดไปทั้งนั้นหลังจากเหตุการณ์ผ่านไปร้อยกว่าปีอันนี้เห็นได้ยอย่างว่าความจริงที่เป็นสารกรนั้น มันยืนตัวของมันโดยที่ไม่เกี่ยวกับว่าเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อความจริงอย่างนี้ไม่ได้มีเฉพาะกฎแห่งกรรมอาตมาจริงบอกไว้แต่ต้นไงอย่าคิดว่าทุกอย่างเป็นไปตามกรรมเก่าเพราะอะไรในโลกนี้มันยังมีกฎอื่นๆอีกมากมายนั่นก็คือตั้งกฎอุตุนิยามอะไรนะคะอุตุนิยามอุตุก็คือฤดูการอุตุนิยามเนี่ยเป็นกฎทางฟิสิกในธรรมชาติค่ะเช่นฝนตกฟ้าร้องแดดออกภาวะโลกร้อนเหล่านี้เนี่ยมันเป็นกฎของธรรมชาติในทางวัตถุ ซึ่งมีอยู่แล้วมนุษย์จะเข้าใจหรือไม่เข้าใจฝนจะตกแดดจะออกฟ้าจะรอ้องสึนามีจะมาเหล่านี้มันเป็นไปเพราะอะไรมันเป็นเพราะอุตุนิยามคือกฎทางฟิสิกส์เคมีซึ่งเป็นความจริงอยู่ในระดับโลกของวัตถุค่ะเห็นไหมสองพีชะนิยามกฎแห่งการสืบพันธุ์กฎแห่งการสืบพันธุ์มนุษย์หรือสัตว์สิ่งมีชีวิตทั้งหลายสืบพันธุ์โดยไม่ต้องไปสอนเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติของเขาไม่ต้องไปสอนเขาแล้วก็สามกรรม น, นิยาม กรรมนิยามก็คือกฎแห่งการกระทําและผลของการกระทําภาษาไทยเรียกสั้นๆว่ากฎแห่งกรรมค่ะเห็นไหมกฎแห่งกรรมเป็นกฎข้อสามในบรรดากฎธรรมชาติทั้งห้านะอันนี้พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าค้นพบค้นพบกฎอย่างอื่นเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็ค้นแล้วอุตุอุตุนิยามเนี่ยวิทยาศาสตร์สนใจที่สุดพีชานิยามวิทยาศาสตร์สนใจที่สุดถึงขนาดว่าผาโครโมโซมค้นหาดีเอ็นเแผนที่มนุษย์ทําได้หมดเลยตอนนี้สเตนเซลล์อะไรต่างๆ วิทยา ศ, าศาสตร์กฎที่หนึ่งวิทยาศาสตร์ท่าหลวงกฎที่สองวิทยาศาสตร์ท่าหลวงแต่กฎที่สามไอสตราร์ก็ยังงงอยู่ตอนเนี้ยกฎ <กำ S 1> แหง่งการมาอย่างไงเส้ทนทางเดินกรรมอาจารนไอสตราร์ตอบไม่ได้ไดไก็ตายเสยก่อนไอสตราร์สนใจจริงจสนใจเขาถึงกับประกาศว่าเขาชอบพระพุทธศาสนา เพราะฉะนั้นเขาสนใจถ้าอาตาอย่างอยู่เขาคงเป็นแฟนหนังสืออาตมาใช่มใช่ใช่ใช่ะเพราะฉะนั้นอาตมาก็ชอบแกเป็นส่วนตัวแต่พอดีเขาตายซะก่อนเลยตายซะก่อนอ่าแต่ไม่เจอกันเอ้ากฎที่สี่ะจิตตนิยามกฎของการทํางานจิตของเราซิกมันฟลอยด์ค้นพบเรื่องจิตตานิยามแต่ยังค้นพบไม่หมดก็ตายซะก่อนค่ะแต่พระพุทธเจ้าค้นพบสมบูรณ์แบบอยู่ในคำพิธีพิธรรมจนทุกวันนี้ค่ะ จิตทำงานยังไงจิตมีกี่ดวงคุณภาพของจิตเป็นยังไงศักยภาพของจิตเป็นยังไงในหนึ่งนาทีหรือหนึ่งวินาทีนี้จิตทำงานเป็นกี่ดวงกี่ดวงรู้มันนี่คือจิตตนิยามซึ่งวิทยาศาสตร์ทุกวันนี้ก็ยังงงอยู่ค่ะเวลาวิทยาศาสตร์จะศึกษาจิตจิตตันิยามหรือจิตวิทยาเขาทำไม่ได้เพราะวิทยนักวิทยาศาสตร์ไม่เคยนั่งสมาธิ ศึกษาไปศึกษามาเนี่ยวิชาจิตตะนิยามของนักวิทยาศาสตร์กลายเป็นวิชาพฤติกรรมศาสตร์ใช่สังเกตจากข้างนอกดูจากสีหน้าท่าทางโอ้ยิ้มแสดงว่าเมตตาสูงไปรู้อะไรพวกนี้ยิ้มการตลาดใช่มใช่ใช่ใช่ถอเชื่อได้ที่ไหนใช่ไหมปากหวานขันเพราะนึกว่าเขามีสินมีธรรมค่ะไม่ใช่มันหลอกกันได้ไม่ได้ดูในเบื้องลึกของสัญญาอันนี้คือ เขบอพร่องของนักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาจิตตนิยามไม่ถึงก็เลยศึกษาจากพฤติกรรมค่<ท>ะในที่สุดก็มันเข้าใจจนทุกวันนี้มีนักวิทยาศาสตร์จํานวนมากที่เป็นนักจิตวิเคราะห์หันมาปฏิบัติสมาธิภาวนาเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับวิปัสสนาทั้งหลายที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตทั้งหมดนั้นตอนนี้เนี่ยกว่ากว่าหมื่นเว็บไซต์อันมาคิดว่าเกือบเก้าสิบเก้าเปอร์เซนตฝรั่งเป็นคนก่ อ, กอตั้งฝรั่งเป็นคนก่อตัอ้งเขาสนใจเรื่องจิตไหม เพราะฉะนั้นตอนนี้จึงมีคําทํานายออกมาว่าต่อไปเนี่ยพุทธศาสนาจะรุ่งโรดในยุโรปและอเมริกาจะไม่ใช่ศูนย์กลางอยู่ที่เมืองไทยเชินพรงูนย์ลางจะอยู่ที่ไหนนะพระอาจารย์เมืองไทยอาจมาคิดว่าเทพทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกในจันดาหน้ากันเข้ามาทํางานในไทยเพราะเห็นอนาคตของจัตุคามรามเทพแล้วว่าเฟื่องจริงอินเดียจะจริงๆเจอคู่แข่งแล้วนะก็พระพรหมพระพรหมเนี่ยเป็นเทพรุ่นแรกที่ ที่ได้วีซ่ามาทํางานในบางไทยจะต้องอยู่ทุกตึกแล้วสลิมรพระพรหมพระศิวะพระอิศวรเข้ามาทั้งหมดเลยแล้วก็พระตรีตอนนี้จะมาคิดว่าพระเทพเจ้าทั้งหลายจํานวนมากนะซึ่งเคยอยู่ในอินเดียตอนนี้เได้กรียนการ์ดเป็นคนไทยหมดแล้วเอนับถือเทพเจ้าโดยที่ไม่รู้สึกแปลกแยกค่ะอัตมาไม่พูดํามตรงว่าไม่ได้รังเกียจเรียนชาวนานับถือเทพเจ้าและไม่เคยลบหลค่ะเพราะอะไรมนุษย์จําเป็นจะต้องมีสาระที่พึ่ง แต่ว่าขอให้มีท่าทีที่ถูกต้องในการพึ่งเทพเหล่านั้นอถ้าพึ่งเทพแล้วไม่ดูถูกตัวเองขอให้พึ่งไปเถอะยึด<ฆ>ถือไว้เป็นกําลังใจค่ะ<ฆ>แต่ถ้าพึ่งเทพพระเจ้าแล้วงอมืองอเท้าอันนี้ไม่ถูกต้องเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าจะเอาไปพูดต่อต้องพูดให้ตรงกรับตมานะเดี๋ยวหาว่าตมาโจมตีตมาไม่ได้โจมตีตมาพูดอย่างมีเงื่อนไขนะแล้วก็จะอยู่กันอย่างปรองดองด้วยเพราะว่าสังเกตว่าช่วงหลังๆเนี่ย เวลาปลุกเสกเทพก็จะปลุกเสกในวัดแล้วก็มีพรเป็นประธานใช่ไหมแต่มาคิดว่าในอนาคตอันใกล้เทพบางองค์ก็จะบวชเพราะอะไรเพราะว่าพระเนี่ยไปเสกไปตกชีวิตให้กับท่านค่ะเห็นไหมนี่ก็คือคือตัวนเป็นคนที่มาล้วต่อไปมีความเป็นไปได้นอกจากนั้นก็มาถึงกฎสุดท้ายธทำมนิยามค่ะทำมนิยามนี้เป็นกฎที่ยิ่งใหญ่มากแล้วนักวิทยาศาสตร์ที่เขาคขอมหัวให้กับพระพุทธเจ้าเพราะกฎข้อนี้ธรรมนิยามคือความจริงของธรรมชาติเขาเรียกเนื้อเชื้อเราะห คือกฎของธรรมชาติกฎนี้มีอยู่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมีที่มาทุกสิ่งทุกอย่างในโลกไม่มีอะไรอยู่โดดๆโดยที่ไม่ขึ้นต่อกันละกันเวลาฝรั่งพูดถึงกฎนี้เขาใช้คำว่า interbeing แปลว่าสรรพสิ่งล้วนขึ้นต่อกันละกันหมายความว่าสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้จึงเกิดสิ่งนี้ดับไปสิ่งนี้จึงดับไป หลักอย่างนี้เราเรียกในภาษาพูดว่าอิทธปัจจยตาหรือปฏิจจสมุปบาทเห็นไหมนั่นก็คือสิ่งต่างๆนี้ดำรงอยู่ในลักษณะเป็นเหตุเป็นผลแก่กันและกันเสมอธรรมบัญิเนี่ยเป็นหลักที่ทำให้เอาเบิร์ตไอล์สไต์ถึงกับพูดว่าศาสนาในอนาคตจะเป็นศาสนาแห่งประสบการณ์อิงอยู่กับความรู้ความจริงในธรรมชาติและก็ผลเรื่องของเทพและเทวะ ศา ส, สนานั้นถ้าจะพอมีได้แก่พระพุทธศาสนานี่อเบิร์ไอสต า, าแกพูดไว้ชัดเจนเพราะอะไรเพราะว่าแกศึกษาวิทยาศาสตร์ไปแล้วก็ได้คนพบความจริงของโลกว่ามันมีกฎธรรมชาติอยู่เบื้องหลังปรากฏการทุกอย่างเลยอย่างนิวตันเห็นแอปเปิลหล่นมาอาตอมาอยากจะถามเราทั้งหลายเนี่ยถามาคุณโยมด้วยแอปเปิลหล่นใส่หัวเน่คุณโยมจะทำยังไงเป็นกรรมครับ <laughs> ไปเดินใกล้มันเองเนี่ยมึงไทยไม่มีนักวิทยาศาสตร์ระดับโลกก็เพราะดี๋นี้ก็ไปอยู่ใต้กันแอปเปิลโอ้กรมเลยที่มีอยู่ตั้งเยอะตั้งแยะลูกอื่นก็ไม่ไดดา่อดื่นเลเนี่ยเดไม่น่าชวนมายืนตรงนี้เลยนะด่าเพื่อนอยู่ข้างหนึ่งก็คือคิดมากกรรมใช่ไหมค่ะสองโอ้โหแหมลูกใหญ่จงเลยกัดกลุ่มเลยแสดงว่าสุดจริงๆเออ่อ้ยสาม ทำยังไงแมมหล่นมาทั้งทีงใช่ไหมกินมนซะกินไม่พอหลังรู้แล้วว่าต้นนี้อร่อยมาสวยไปกินต่อนี่คือมั น, ม, นมันไ ม, ม, นไม่มันไม่นำไปสู่ปัญญาแล้วสำหรับคนไทยไม่มีวิธีการ <c oughs> คิดถูกต้องดังนั้นนิวตันเนี่ยเห็นแอปเปิลหล่นใส่หัวแกคิดสิ่งนี้เกิดขึ้นจากอะไระถ้าคนไทยแอปเปิลหล่นใส่หัวกรรมยกให้กรรมจบเลยนะแต่นักวิทยาศาสตร์เขาจะถามว่านี่คืออะไร ทำไมไม่ลอยทำไมทำไมไม่ไม่ลอยขึ้นฟ้ามันหล่นลงดินแล้วทำไมไม่ลอยขึ้นฟ้าพราะแกถามว่าทำไมเนี่ยแกก็ค้นขวาไหนที่สุดค้นไปค้นมาก็ค้นขพบ ก, กดแรงดึงดูดของโลกกดแรงน้อมถ่วงของโลกกลายเป็นนักวิทยาศาสตร์โลกเห็นไหมว่าธรรมนิยามเนี่ยเป็นหลักธรรมที่ปัญญาชนทั้งหลายยอมรับกันทั่วโลกเพราะเป็นความจริงที่เป็นอิสระจากคนค่ะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกดำรงอยู่ในลักษณะเป็นเหตุเป็นผลแก่กันและกันถ้าพูดอย่างนี้เนี่ยลัทธิเทพเจ้าตกเลยนะ ค่ละลัตที่เทพเจ้าไม่มีที่อยู่ที่ยืนเพราะอะไรไม่มีเหตุผลเพราะมันสวนทางกันคือรัที่เทพเจ้าเนี่ยเขาะจะสอนว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้จะสําเร็จเพราะเดชานุภาพของเทพเจ้าต้องเชื่อต้องเชื่อเทพเจ้าแล้วเทพเจ้าจะโดนบันดาลประทานพรให้คุณต้องอ้อนวอนแต่พุทธศาสนากลับบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างดำรงอยู่ในลักษณะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเป็นเหตุเป็นผลลัที่ของเทพเจ้ามันไม่เป็นเหตุเป็นผลค่ะมันจะเกิดมันก็เกิด ที่สำคัญเวลาเราถามหาว่าแล้วเทพเจ้าอยู่ไหนจนทุกวันนี้มนุษย์ก็ยังค้นไม่พบที่อยู่ของเทพเจ้าเอออย่างเวลาเราทําที่อยู่ให้เยอะนี่ก็ไม่รู้ว่าอยู่จริงอยู่ตรงไหนใช่ไหมคะพระเทพเจ้าแน่จริงท่านสร้างคอนโดอยู่ท่านเองอันนี้ไมไ่ไม่ได้ว่าลบหลู่แต่ว่าสอนให้เป็นหลักคิดคือเราต้องมองมอ ง, มองในฐานะที่เป็นวิทยาศาสตร์และมองในฐานะที่เป็นพุทธศาสตร์ด้วยเราไม่ได้บอกว่าเรากําลังลบหลู่แต่ถ้าเราไปอ่านพระไตรปิฎกเป็นอย่างนี้ เราไปคุยกับนักวิทยาศาสตร์เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นความจริงในพุทธศาสนามีอยู่อย่างไรในชั้นแรกเราพูดไปตามพระพุทธเจ้าพูดก่อนค่ะที่ตะมาพระพูดเองนี่ไม่ใช่ทัศนะของอัตมานะต้องบอกไว้ก่อนว่ามันเป็นหลักความจริงทางพระพุทธศาสนาท่านสอนกันมาอย่างนี้แหละค่ะเพราะฉะนั้นใครที่จะมาเถียงอัตมาเนี่ยคุณไปเถียงกับพระพุทธเจ้าได้เลยแล้วก็ก็ตรงอย่างเนี้ยสิ่งที่เรากําลังห่างเหินก็คือเรากําลังจะเป็นลับในที่ที่เขาก็ไม่ได้เจริญกว่าเรานะคะเข้ามา แต่ในสิ่งที่เราดีพุทธศาสนาที่เป็นแก่นอยู่เนี่ยฝรั่งกัดเอาไปเป็นอานะเอาไปตั้งเป็นเว็บไซต์เอาไปตั้งศูนย์วิปัสนาที่ยิ่งใหญ่และฝรั่งที่เอาไปนั้นก็รว้แล้วแต่เป็นฝรั่งที่ระดับที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เป็นคนระดับครีมของโลกอาจมาขอยกตัวอย่างง่ายๆตอนนี้มีคนมหาเศรษฐีของโลกที่ดังมากๆก็คือนายบิลเกสบิลเกสเนี่ยเมื่อปีกลายได้รับการโหวตจากทั่วโลกให้เป็นบุคคลแห่งปีของนิตยสารธรรม เหตุผลเพราะนายคนนี in, ้ให้ทานมากที่ส like ุดในโลกตั้งบ oh, kind of really like. ุลลนิธิเขาเป็นชาวพุทธไปแล้วอ่ะเห็นไหมหลักทศพิธราชธรรมข้อที่หนึ่งคือทานใช่ไหมหลักอนุบุพิกถาห้าข้อที่หนึ่งคือทานค่ะหลักการทำบุญข้อที่หนึ่งคือทานบิลเกสได้ขึ้นปกทาอเป็นยอดคนของโลกประจำปีกลายเพราะอะไรเขาบริจาคมากที่สุดในโลก เขาไม่ได้ขึ้นปกเพราะเขามีเงินมากเป็นอันดับหนึ่งของโลกติดกันมาสิบปีซ้อนคนมีเงินมากที่สุดนในโลกไม่มีเกียรติที่จะขึ้นปกไทมนะเพราะเดี๋ยวนี้ใครจะขึ้นปกไทมถ้าคุณมีเงินคุณก็ไปจ้างรับมิจิ์คุณก็ขึ้นได้แล้วใช่ไหม <c oughs> เพราะฉะนั้นเขาไม่ได้มองประเด็นว่าคนมีเงินเป็นคนมีเกียรติหรือยิ่งใหญ่แต่เขามองว่าคนที่ปฏิบัติธรรมอาจมานยกตัวอย่างเดียวเกสเพราะจะบอกว่าเขาเป็นคนระดับครีมคือหัวกะทิของโลกค่ะ <c oughs> แต่ทําไมสนใจพุทธศาสนาเห็นด้วยอย่างนี่แหละเพราะฉะนั้น หลักธรรมที่เป็นเหตุเป็นผลอย่างนี้เนี่ยจึงเป็นเสน่ห์ของพระพุทธศาสนาและเป็นแก่นแท้ของพุทธศาสนาค่ะซึ่งเราต้องจับให้ได้ในฐานะที่เป็นชาวพุทธค่ะพอเราจับไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวหมอดูมาเราก็เฮไปหาหมอดูใช่ไหมเดี๋ยวเทพเจ้ามาเราก็เฮไปหาเทพเจ้าเดี๋ยวอัศาวินผู้พิเศษมาเราก็เฮไปหาอัศาวินเดี๋ยวพระเกจิบางองมาเราก็เฮไปหาพระเกจิแล้วถามว่า มันพึ่งได้จริงๆหรือไม่ตกลองพึ่งไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่ามนุษย์ทุกคนจะต้องอัตเฮียตนนนาโถตอนย้ําเป็นที่เป็นแห่ตงตอนจริหลมขอตนเนี่ยเป็นที่พึ่งของตอนเท่านั้นถ้าคุณไปพึ่งคนอื่นเนี่ยเป็นการพึ่งภายนอกทั้งหมดทั้งสิ้นอัตมาขอเล่าตัวอย่างให้ฟังว่ามนุษย์ต้องพึ่งตนเองมีอยู่วันหนึ่งท่านอานาถาปีนท่เกิดเศรษฐีซึ่งเป็นเศรษฐีใกล้ชิดพระพุทธเจ้าทําบุญเยอะแยะมากมาย พระพุทธเจ้าก็ไปสเสวยที่บ้านของอนาถาเป็นทกเศรษฐีพอดีว่าเมื่อสองอาทิตย์ก่อนนะอาตมาไปเยี่ยมบ้านท่านเศรษฐีมาตอนนี้ก็ยังเหลือสากบ้านอยู่นะคุณยอมโยมรับว่าเป็นคนระดับหมื่นล้านจริงๆนะ <c oughs> สรากบ้านเนี่ยสูงยังก็ตึกห้าหกชั้นเลยนะ <c oughs> นั่นคือสรากนะเพราะสมัยนั้นท่านอยู่ตราศาสตร์ <c oughs> นนขนาดหายไปครึ่งหนึ่งแล้วหายไปแล้วครึ่งหนึ่งบ้ <c oughs> านองค์กรีบมานะอาตมาก็ไปเยี่ยมปรากฏว่าบ้านสองหลังเนี่ยหันหน้าเข้าหากันเลย แสดงว่าทั้งคู่ไฮโซจริง <Tennessee> เห็นไหมทีน <Technical S 3> ี้อนันดาพินิกาเศรษฐีก็นิมนต์พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์มาเสวยที่บ้านประจำพระพุทธเจ้าในประทับที่เชตวันหรือเมืองสาวัตถี25ปีและบ้านที่ไปเสวยประจำคือบ้านอนันดาพินิจการเศรษฐีก็มีปัญหาว่าที่บ้านนั้นมีเทวดาอยู่เทวดาเขาลำบากใจมากเวลาพระพุทธเจ้ามานะเขาต้องลงไปรับเสด็จเขาอยู่ข้างบนนะ ก็บอกว่าเขาอยู่บนเล่าเตงเนี่ยเวลาพระเ จ, จ้ามาเขาต้องลงอุ้ยเบื่อมาทีก็อยู่นานเมื่อไหร่จะกลับเทวดาต้องลงมานั่งพับเทียบปันนมมือเต้วันหนึ่งแกไปกรซิบเศรษฐีว่าท่านเศรษฐีขืนให้ทานเยอะๆอย่างนี้ท่านจะจนนะเดี๋ยวท่านจนนะท่านกลายเป็นคนที่โลคั้ืงเศรษฐีโกรธมากท่านเทวดาอยู่กับเราเนี่ย ก็อยู่เป็นพี่เป็นน้องกันบ้านไม่เช่าเข้าไม่ซื้อ <g ül> เราทำบุญมายุให้เราเลิกทำบุญ<า>ถ้าพูดอย่างนี้ก็ออกไปเลยไล่เทวดาไล่เทวดาเทวดาหนีเลยเห็นไหมว่ามนุษย์ถ้ามีศีลมีธรรมจริงยิ่งใหญ่กว่าเทวดาแต่นั้นเวลาเทวดาเขาจะจตีนะเขาจะที่ฐานภาษาทูขอให้ได้เกิดเป็นมนุษย์อ๋อ มนุษย์นี่คืออุดมคติของสัตว์ทั่วโลกทุกุกสภาพชีวิตสิ่งมีชีวิตทุกสภาพชีวิ ต, วตประทานาจะเกิดเป็นมนุษย์ค่ะเพราะอะไรเป็นมนุษย์ทําบุญก็ได้บรนรู้ทำก็ได้ทํามาหากินก็ได้แต่ถ้าคุณไปเกิดอย่างอื่นถ้าไปเกิดเป็นเทวดาคุณกินบุญเก่าอย่างเดียวบุญตามบอเดเมื่อไหร่ตกสวรรค์ค่ะไปเกิดเป็นเปรตคุณทรมานอย่างเดียวสํานึกได้ก็แก้ตัวไม่ได้เพราะไม่มีการทําบุญทําทานค่ะอยากฟังธรรมก็ทําไม่ได้ไปเป็นสัตว์เป็นวัวเป็นควาย ก็ต้องอยู่อย่างนั้นไปจนแก่จนตายแต่ถ้าเกิดเป็นมนุษย์เกิดมาเนี่ยเป็นลูกคนจนพอเรียนหนังสือสร้างเนื้อสร้า ง, ง, างตักลายเป็นมหาเศรษฐีก็ได้เกิดมาเป็นคนโง่พอไปฟังเทศบรลุนธรรมเป็นอริยบุคคลก็ได้ค่ะเป็นผู้ชายอยู่แทๆ้ๆติดใจอยากจะเป็นผู้หญิงไปผ่าอย่างก็ยังได้เลือกเพศไหมเป็นมนุษย์นี่มันสุดยอดเทวงานาคเขากลุ้มอยาก<ป>เกิดเป็นมนุษย์ ส่วนมนุษย์ที่ไม่เคยศึกษาธรรมะในช้าดูบุญส่วนนี้ก็ให้โลกได้เกิดเป็นเ ท, <ำ S 1> ทวดาเ <laughs> พราะไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องอเ<ะ>นี่ยพอเทวดายุคให้เศรษฐีเลิกให้ทานเกิดปัญหาเศรษฐีตะเพิดเลยค่ะถ้าอย่างนี้คุณไปอยู่ต่างประเทศเลยเทวดายึดพาสปอร์ตโทษเรียบร้อยแหละ <laughs> มหาเศรษฐียึดพาสปอร์ตเทวดาไปไหนเทวดาต้องเรื่องหกเรื่องเหินไปหาพระอินทร์ บอกว่าพระอินเจ้าขาข้าพระเจ้าเนี่ยถูกท่านเศรษฐีไล่ออกจากบ้านขอพระอินไปเจราจาการเศรษฐีหน่อยเถอะพระอินก็โอ้ยคนอื่นก็ยังพอคุยกันได้ท่านอนานันทภิณีการเศรษฐีนี่ยมุปาถากพระพุท ธ, ธเจ้าฉันไม่ม<า>ยุ่งหรอกแสดงว่าบิ๊กซีเออนะ <c oughs> พระอินเนี่ยเป็นสุดยอดของเทวดา<ะ>อินธารานี้แปลว่าพูดที่ยิ่งใหญ่ เป็นเทวดาแห่งเทวดาเขาเรียกว่าเท้าเท้าอมรินนะก็ไม่กล้ามาต่อรองกับอนาถาปินทิศเกษตรีเรื่องนี้สําคัญมากทําไมตามาจึงเน้นอาตอมาอยากจะบอกว่ามนุษย์ถ้ามีศีลมีธรรมแล้วเนี่ยยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่กว่าเทวดาเพราะฉะนั้นการที่เราเป็นนับถือเทพเจ้าทั้งหลายเนี่ยคุณกําลังดูถูกศรรักยภาพของความเป็นมนุษย์นะพระอินยังเกรงใจเลยนะพระอินเกรงใจมนุษย์เห็นไหมทีนี้พอไปไปดูถูกเศรษฐีไปบอกเศรษฐีว่าอย่าทําบุญ เศรษฐีไล่ออกสุดท้ายทำยังไงก็ไปหาเทวดาทุกคนด้วยทำยังไงเศรษฐีก็ไม่ยอมรับให้กลับเข้าอยู่บ้านคพระอินทร์ก็บอกว่ามีทางเดียวคุณต้องทำทันก็หมายความว่าต้องไปทำอะไรสักอย่างที่จะทำให้เศรษฐีหายโกรธพระอินทร์ก็แนะหกุสโลบายว่าเทวดาท่านก็ลองไปสำรวจดูซิว่าใต้ปฐพีแถวนั้นนะมีขุมทรัพย์ที่เขาฝังเอาไว้กี่ขุม แล้วก็ไปบอกท่านเศรษฐีสิใช่ไหมสมัยนั้นมันยังไม่มีใบหุ้นเขาก็เลยใช้ขุมทรัพย์เป็นเป็นเป็นไหายเทวดาก็ไปสํารวจตัวตราด้วยทิพย์พยัคฆ์ค่ะในที่สุดก็ไปเจอขุมทรัพย์ก็ไปกระซิบท่านเศรษฐีว่าเนี่ยฉันเนี่ยเจอขุมทรัพย์นะท่านเศรษฐีไปขุดมาทําบุญได้เลยเศรษฐีก็ไปขุดขุมทรัพย์มาทําบุญก็เลยคืนดีกันสู้เอียกันเหมือนเดิมก็ให้เทวดาเข้ามาอยู่ในบ้านค่ะ เรื่องนี้ก็มีที่มาในคำพยยีธีอธิบายพระไตรปิฎกแล้วพระเดชพระคุณพระพรหมคุ้นนาพรหรือปออประยุทตโตของเราท่านได้นำมาเทศเพื่อชี้เห็นว่าชาวพุทธยาหลงเทพมากเกินไปเพราะแท้ที่จริงนั้นเทพเขาก็อยู่กันกับเราในฐานะเป็นมิตรคืออยู่กันอย่างมิตรไม่ใช่มาอยู่กับเราในฐานะที่เราเนี่ยจะต้องไปยอมสยบให้เขา เพราะตัวเขาเองก็มีขีดจํากัดในการช่วยเหลือคนเขาไม่ได้ยิ่งใหญ่อย่างที่เราคิดอะไรเราไม่ได้ต่ําต้อยกับท่านแล้วเราก็ไม่ได้ต่ําต้อยมีพระพุทธพจ้ตรัสเอาไว้ว่าพระพุทธเจ้าทั้ง ท, งทังที่ทรงเป็นมนุษย์แต่เพราะได้ทรงฝึกหัดอบรมพระองค์มาเป็นอย่างดีจึงได้เป็นสัมมาสัมพุทธะและเมื่อเป็นสัมมาสัมพุทธะแล้วเทศก็ชมพรหมก็น้อมนามัสการเห็นไหมว่าไม่ได้ใหญ่กว่าเทวดาเท่านั้นพรหมด้วย เทวดาทุกสวรรค์ชั้นฟ้าซึ่งมนุษย์มองว่าสูงส่งและยิ่งใหญ่สุดท้ายมาเฝ้าพระพุทธเจ้าขอเป็นลูกศิษย์หมดเลยในัมพีบางคำพีเนี่ยพระอินซึ่งเป็นเทพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมามามาแบกามาแบกเขาเรียกว่าแบกแบกคนโทรหรือกระโถนทองสําหรับบรรจุพระบางคนหนักบางคนเบาของพระพุทธเจ้ า, าพูดยงัยงไงว่าอุจารปัสสวาของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระอินนะเป็นคนที่เอาไปเททิ้งค่ะพระอินในทูลหัวเลยนะ อันนี้ก็จะ้อน่าเอาเข้าจริงเทพเนี่ยยอมรับนับถือมนุษย์ที่มีศีลมีธรร ม, มแต่มนุษย์ทุกวันนี้เนี่ยพาตัวเองไปยอมสยบต่อเทพโดยไม่ลืมหูลืมตาขอให้ท่านช่วยทุกเรื่องค่ะเห็นเรืยอย่องว่าเราพลาดขนาดไหนอีกนิดหนึ่งค่ะคําว่าพ่อแม่คือเทพคือพรมของของลูกเนี่ยอันนี้คืออยู่ในพุทธศาสนาไหมคะอันนี้นี่พระพุทธเจ้าสอนเพราะอะไรพระพุทธเจ้าอยากจะให้คนอินเดียในสมัยพุทธกาลลืมหูมลืมตาสัที ค่ะคนอินเดียเนี่ยเขาเชื่อกันว่าเทพสูงสุดคือพระพรหมมนุษย์เกิดมาแล้วเนี่ยพรหมลิธิตจึงมีรอยแต้มที่หน้าผากค่ะรอยแต้มที่หน้าผากจริงๆใครแต้มก็พรหมนั่นแหละแต้มพรมในที่นีคือพรามพรามมาแต้มแล้วก็บอกว่าถ้าแต้มเสร็จแล้วพรหมลิธิ์ละฝังไมโครชิปเรียบร้อยแล้วทีนค่ะคุณจะเป็นอะไรคุณต้องเชื่อแล้วชีวิตคุณชีวิตคุณขยับไปไหนไม่ได้แล้วมนุษย์เกิดมาเนี่ยพรามเนี่ยเกิดจากพระโอ์ของพรหม กาาตรเกิดจากพระผาหาก็คือแขนแพทยเกิดจากกระโพกหรือพระโสณแล้วสูตรหรือจันทานเกิดจากพระบาทของพระพรหมมันจึงเกิดเป็นชนชั้นในสังคมสี่ชนชั้นซึ่งไม่มีความสุขกันเลยไม่มีความสุขแล้วก็มีธรรมเนียมประเพณีที่สร้างแต่ความทุกข์ให้คนเจริญอนใครที่เกิดเป็นสูตรหรือจันทานชาตินี้ทั้งท่านอยาหวังว่าจะมีความสุขค่ะพระพุทธเจ้าก็เห็นว่าคําสอนอย่างนี้มันกดขี่มนุษย์นี่พระองค์ก็เลยบอกว่าพระพรหมไม่มีหรอกพระพรหมที่แท้อยู่ในบ้านเราตั้งหากพ่อกับแม่เป็นพรหมของลก ใช่เพราะอะไรพรหมแปลว่าผู้สร้างผู้สร้างที่แท้จริงคือพ่อกับแม่พ่อนะแม่เรานี้ให้ชีวิตเรานั่นแหละพระพรหมของเรานะนะคะเพราะฉะนั้นต่อเข้าใจตรงนี้ว่าจริงศาสนาพุทธเนี่ยมีทุกขั้นทุกตอนที่เป็นเหตุเป็นผลอธิบายก่อนที่จะหยุดก่อนที่จะเบรกนะครึ่งหนึ่งเราอยาอธิบาย วิชาการจบเลยค่ะพระอาจารย์เึ้หนึงจะให้ถามนะคะขอไปตรงนี้ก่อนว่าเกิดมาและใช้กรรมเมื่อกี้ยอมรับกันแล้วนะคะว่ากฎแห่งกรรมนั้นเป็นกฎที่มีจรงิงในโลกนี้แล้วพระพุทธเจ้าท่านทําทความกระจ่างในเรื่องนี้แล้วลบัญญัติมาจากพุทธการเพราะฉะนั้นกฎแห่งกรรมมีจริงเราเกิดขึ้นมาตามกฎนั้นใช่ไหมคะแล้วเกิดว่าเพื่อใช้กรรมใช่ไหมคะเจริคึงหนึ่งเจริคึงหนึ่มีจริงแต่ไม่ใช่กฎเพียงกฎเดียวที่กําหนดวิถีชีวิตของเราค่ะ เพราะในโลกนี้ยังมีกฎอีกตั้งสีกฎที่มีอิทธิพลในการกําหนดวิถีชีวิตของเรานั่นคืออุตุนิยามกฎธรรมชาติทางฝ่ายวัตถุเช่นเราเกิดมาเป็นคนไทยอาตมาเกิดเป็นคนเหนือจังหวัดชิงรายเกิดมาผิวขาวเพราะธรรมชาติแถบนั้นดีคนบางคนเกิดมาติดทะเลก็ผิวดําผิวขาวหรือผิวดําใครกำหนดสภาพแมดล้อมกําหนดค่ะคนอเมริกันคนอังกฤษเกิดมาเนี่ยต้องเตะฟุตบอลกับทั้งปีทั้งชาติเลยพรีเมียร์ลีกเนี่ยโอ้โหสนุกสนานคนไทยก็ดูตามใช่ไหม พ่อเลยเพราะเขาเป็นเมืองหนาวเขาก็ต้องเตะฟุตบอลเห็นไหมว่าวิถีชีวิตของเรานั้นถูกสภาพแวดล้อมกําหนดนี่คืออุตุนิยามเป็นกฎทางธรรมชาติสองก็คือภีชันนิยามเวลาเราเกิดมาเนี่ยหน้าตาเราจะเป็นยังไงผิวพรรณสติปัญญาจะเป็นยังไงนอกจากกฎแห่งกรรมจะกําหนดแล้วเนี่ยกฎแห่งการสืบพันธุ์โครโมโซม X คโครโมโซม Y ของพ่อของแม่ก็มีส่วนกําหนดดีเนเอของลูกด้วยเห็นหรืยอย่างจากนั้นจึงมาถึงกฎแห่งกรรมซึ่งเราทําเองจากกฎแห่งกรรมก็ไปหากฎของจิตนิยาม อันนี้ก็เราก็ทําเองนอกจากนั้นก็ยังไปหาธรรมบัญิยามอันนี้ก็เป็นกฎใหญ่ที่ครอบคลุมโลกทั้งโลกชีวิตทั้งชีวิ ต, ท, วตทุกสิ่งทุกอย่างสี่กฎทั้งต้นจะมารวมอยู่ในกฎข้อสุดท้ายดังนั้นอย่าบอกว่าชีวิตถูกกรรมลิขิตเรียบร้อยแล้วเพราะอะไรกรรมลิขิตมาส่วนหนึ่งเท่านั้นเองที่เหลือกฎอีกสีกฎช่วยลิขิตด้วยนี่คือทัศนะที่ถูกต้องต่อเรื่องกฎแห่งกรรมค่ะชีวิตที่เปลี่ยนไปก็เพราะว่าใจเราเปลี่ยนเจริญพรใจเราเปลี่ยนด้วยสังคมเปลี่ยนด้วยย้ายที่ย้ายทางทุกสิ่งทุกอย่าง ฮอร์โมนผิดปกติเปลี่ยนได้ไหมก็เปลี่ยนชีวิตเกิดเปลี่ยน<ะ>เพราะฉะนั้นอย่าไปมองว่าเออที่มันเป็นทุกวันนี้เพราะกรรมตัวเดียวใครพูดอย่างนี้ถือว่าพูดไม่ถูกหลักพระพุทธศาสนา<ะ>เราควรจะพูดว่าที่มันเป็นอย่างนี้ส่วนหนึ่งก็เพราะกรรมและอีกหลายๆส่วนเพราะอย่างอื่นด้วย<ะ>ในพูดอย่างนี้จึงถูกต้องเพราะฉะนั้นทั้งห้าอย่างเขาก็มีกฎในการให้เกิดผลแห่งกรรมกันเองสิคะเจริญพ่อมีหลักมีเกณฑ์ทั้งห้าอย่างก็ผสมผสานกันให้ผลอยู่ในตัวเรานี่แหละอย่างเราเกิดมาปุ๊บ เราก็ต้องเจ อ, อตัวนิยามและสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติค่ะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อากาศเป็นอย่างนั้นดินฟ้าเป็นอย่างนี้เราเจออยู่แล้วใช่ไหมเข้าให้ผลตลอดเวลาเห็นไหมกฎเหเ่านี้ที่ชนิยามเราเกิดมาเนี่ยเราได้รับดีเนเอโครโมาโซม์อโครมาโซม y ยยีนจากพ่อจากแม่มันก็ให้ผลอยู่แล้วโดยที่เรายังไม่รู้จักกฎเหล่านี้เลยค่จากนั้นจึงมาถึงกฎแห่งกรรมซึ่งเป็นเรื่องของเราทําเองเห็นไหม แล้วก็จิตแต่หนียามเกิดมาเราก็มีจิตแล้วจิตมันก็ทำงานตลอดเวลาเหมือนเครื่องเดนาโมปั่นไฟมันไม่มีวันหยุดแต่ถ้าเราไม่บ่มไม่เพาะมันก็ไม่ดีมันก็หยุดอยู่แค่นั้นแล้วก็ทําันินี้ยามทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลในตัวเองคุณอธิษฐานจนตายเชื่อไหมโลกก็ไม่แบนเพราะฉะนั้นการอธิษฐานโดยที่ไม่ทําอะไรเนี่ยตามหน้าที่เทพเจ้าบอกกันมาเนี่ยไม่มีทางที่จะก่อให้เกิดความจริงเช่นนั้นก็อย่างที่พุทธเจ้าบอกโยนเห็นลงน้ําธรรมชาติของเห็นต้องจม ปอไฟธรรมชาติของไฟหรือเปลวไฟควันก็ต้องลอยกฎแห่งธรรมชาติเป็นอย่างนั้นมนุษย์มีหน้าที่เรียนให้รู้กฎธรรมชาติและปฏิบัติให้สอดคล้องกฎธรรมชาติเราเรียกว่าสัจธรรมมนุษย์มีหน้าที่รู้รู้และปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎธรรมชาตินั่นคือจริยธรรมมนุษย์มีหน้าที่ปฏิบัติอะต้องแยกชัดๆอย่างนี้ค่ะสิ่งเหล่านี้พิสูจน์ได้หมดนะพระอาจารย์พุทธศาสนานี้เป็นศาสนานที่ไม่กลัวการพิสูจน์พุทธเจ้าท่านพูดเอาไว้คําหนึ่งว่า ความจริงนั้นมีอยู่แล้วโดยตัวของมันเองฉันมาตรดสสู้ค้นพบจำแนกแจกแจงเปิดเผยบัญญัติทำให้ง่ายแล้วจึงจัดว่าเชิญมาพิสูจน์นี่คำของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาเป็นวิทยาศาสตร์ถูกต้องนะคะเราจับมือกันได้เราจับมืออัตมา น, นี้กับโยมไอสตาร์นิเสเนตกันแต่ฝั่งคนนี้เขาไม่เปลี่ยนศาสนานะอาจารย์เขาศึกษาเขาลึกซึ้งกว่าคนที่เป็นพุทธ เจแลญหอนก็มี ม, มีนักวิทยาศาสตร์จานว น, นมากเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์อยู่แล้ววันหนึ่งมาพบพุทธศาสนาเขาก็เปลี่ยนขอยกตัวอย่างอย่างเซอร์เอ็ดวินเอ็ดวินอารนเนี่ยเขารู้สึกจะเป็นชาวอังกฤษนะเข้ามาศึกษาระพุทธศาสนาแล้วก็เพื่อเพื่อจะหาทางจับผิดแต่ค้นไปค้นมาก็เจอแต่มุมที่ถูกของพุทธศาสนาเลยเปลี่ยนศาสนาเลย ที่กนนี้เป็นนักวิทยาศาสตร์แม้แต่นักวิทยาศาสตร์ล่างส่วนอย่างสตีเวนฮอวกิงเนี่ยคนที่เขียนเรื่องทฤษฎีหลุมดําอวกาศโค้งอวกาศอะไรต่างๆเนี่ยคนเหล่านี้ไปไปมาเขาก็มาศึกษาทฤษฎีของพุทธศาสนาดังนั้นทุกวันนี้จึงมีหนังสือในลักษณะที่ว่าเราถามหรือหรือนักวิทยาศาสตร์ถามพระพุทธเจ้าตอบกระจายอยู่ทั่วไปในอินเทอร์เน็ตดังนั้นพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์นั้นเป็นลักษณะของ ของการค้นพบความจริงเช่นเดียวกันแต่แว่าพุทธศาสนานีเน้นความจริงในตัวมนุษย์ค่ะแต่วิทยาศาสตร์เน้นความจริงนอกตัวมนุษย์ค่ะเห็นไหมของดีๆทั้งนั้นเลยนะคะในพุทธศาสนาของเราเดี๋ยวเราจะพักกันก่อนนะคะในช่วงนี้แล้วช่วงหน้าเมื่อเป็นวิทยาศาสตร์แล้วแก้ไขได้ไหมจุดเ ร, ริ่มต้นแก้ได้ไหมเมื่อมันมีเหตุมีผลตามไปแก้ที่เหตุที่ผลของกรรมได้ไหมแล้วก็อย่างอีกหลายๆเรื่องที่ท่านค้างคาใจนะคะ ช่หน้าจะกลับมาคุยกันค่ะวันนี้เราคุยกันต่อนะคะมีโทรศัพท์ยืนยันนิดนึงค่ะท่านที่อยู่บ้านที่ต้องการจะถามเกี่ยวกับเรื่องของกรรมนะคะพระอาจารย์หกสองเก้าสี่สี่แปดแปดต่อหนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดและหนึ่งหนึ่งหนึ่งแปดนะคะมีเจ้าหน้าที่ของเราคอยรับโทรศัพท์รับคําถามจากท่านอยู่นะคะแล้วก็แน่นอนค่ะคําถามที่ส่งเข้ามาแล้ว ไม่ต้องเดาก็ถูกกําลังจะเดินทางไปสํานักที่เขารับตัดกรรมพระอาจารย์ควรจะไปไหมไปแล้วได้ผลจริงหรือเปล่าพวกแก้กรรมตัดกรรมเนี่ยฮะสํานักที่รับตัดกรรมนี่ก็ไปทราบ ว, ว่าเขาตัดกันยังไงฮะอาจารย์ถ้ า, า, ถ, าถ้าไปถูกสํานักเนี่ยก็ตัดได้จริงไหแต่ถ้าไปผิดสํานักก็เพิ่มกรรมเป็นยังไงคะตอนนี้มีมีบางคนบางกลุ่มบางสํานักค่ะเปิดสํานักแล้วก็รับตัดกรรม แต่มีข้อแม้ว่าต้องจ่ายค่าบูชาครูเท่านั้นเท่านี้แพงด้วยหรือเปล่าคะ ถ, ถ้าถูกก็กรรมไม่ถึงกรรมไม่หมดหรอกสิบบาทน่นก็นิดนิดน่หน่นอยตัดได้กรรมตบยุงก็สิบบาทไปค่าคนเอาไว้โกคนณเอาไว้ยิงก็ต้องแพงหน่อยถามว่าแล้วกรรมนี้ตัดได้ไหมในเมื่อกฎแห่งกรรมเป็นกฎแห่งเหตุและผลอันเป็นความจริงที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ในเมื่อมันเป็นความจริงตามธรรมชาติมนุษย์มันแทบแสงได้ไหมล่ะกฎแห่งกรรมเนี่มันให้ผลในลักษณะว่าสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเป็นเหตุเป็นผลแก่กันและกันแต่ทฤษฎีตัดกรรมนี้บอกว่าถ้าคุณมาบูชาวัตถุมงคลรุ่นนั้นรุ่นนี้เอาไปกับตัวแล้วก็สร้างพระรุ่นนั้นรุ่นนี้เอาไปไว้บูชาตรงโน้นตรงนี้มันจะตัดกรรมได้คําตอบก็คือมันไม่เป็นเหตุเป็นผลเพราะแต่ในขณะที่หลักกฎแห่งกรรมนั้นให้ให้ผลตามเหตุตามผล แต่หลั ก, กการตัดกรรมไม่มันเป็นความเชื่อในละที่ของเทพเจ้าแล้วมันเหมือนกับว่าปวดท้องแล้วก็กินยาผิดขนานะ่ะใช่ไหมสมมติคุณเป็นโรคกระเพาะเนี่ยคุณจะทานยาไปดีคุณเอายาแดงมาทาที่ปากได<า>้ไหนะมก็ต้องกินยาทาต้ อ, าาตตองกินยาทาสิถจะกินยาพารพามันก็ไม่หายมันแค่ปวดความปวดเอาไว้ปวดได้วยโรคหนึ่งแต่ไปรักษาอีโรคนึงอะด้วยยาผิขนานหนึ่งมันไม่ตรงกับโรคไม่มันไม่มีทางจะหาย แต่ทำไมเราจึงเชื่อว่ามันหายนั่นคืออุปทานเหมือนคนปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้ไปขอให้พระรดน้ำมนต์าอาจารย์ของอาตมาท่านเป็นพระวิปัสนาจารย์อยู่ที่เชียงรายโยมคนหนึ่งเป็นปวดหัวเป็นไมเกรนพ่อรดน้ำมนต์ให้หน่อยหลวงพ่อบอกแล้วเราเป็นอะไรเนี่ยโยมปวดหัวไมเกนินก็ไปหาหมอโรงพยาบาลสิหลวงพ่อรดน้ำจะช่วยได้อะไรเนี่ย <C> e <an> ถ้าช่วยได้หลวงพ่อก็เปิดขาน้ำพลสิออืไม่ต้องห า, าหมอเนะ <c oughs> าะมาที่เขาขายกันจริงจริงเจริญพรนั้นค <c oughs> ือหลวงพ่อท่านต้องการจะสอนอย่างตรงไปตรงมาเอาพุทธศาสนาเนื้อแท้มาสอนฉะนั้นเรื่องาวอย่างสั้นที่สุด <c oughs> ตัดกรรมเนี่ยต้องตัดที่พฤติกรรมไม่ใช่ตัดด้วยการทรงเจ้าเข้าขีหรือเส้นสวงบูชาอะไรภายนอกค่ะ <c oughs> มีคนจํานวนมากพยายามตัดกรรมด้วยวิธีเหล่านี้แล้วถือว่าไม่ถูกต้องถ้าคุณอยากจะตัดกรรมมาตรมภาพขอแนะนําให้ตัดพฤติกรรม พฤติกรรมอันเป็นเหตุแห่งกรรมอันเป็นเหตุแห่งกรรมชั่วกรรมเลวของเราทำยังไงจะตัดพฤติกรรมได้หนึ่งคุณต้องเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมก่อนถ้าคุณไม่เชื่อคุณไม่มีทางเปลี่ยนวิถีชีวิตทำดีได้ดีทำทชั่ ว, วได้ชั่วเราต้องมีฐานคิดที่ถูกต้องกันว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วกลัวกฎแห่งกรรมเพราะกลัวกฎแห่งกรรมเราก็หนีจากการทำชั่วได้แล้วค่ะนั่นแหละคือการตัดกรรมที่ถูกต้องแต่คนะเลียนทอนแต่คนจะแย้งว่าคนที่โกงกินชาติบ้านเมืองเห็นเนเนี่ย ก็ยังดูดีมีความสุขก็ถมเถไปเพราะฉะนั้นกรรมไม่ได้เกิดขึ้นจริงเขาก็เลยไม่เชื่อกฎแห่งกรรมและไม่ตัดพฤติกรรมแห่งกรงรมไปค่ะการให้ผลของกฎแห่งกรรมเป็นเรื่องซับซ้อน ค, คนที่เข้าใจชัดที่สุดก็คือพระพุทธเจ้าอย่างครั้งหนึ่งนี้มีคนสงสัยมากว่าเอสาวิกาคนหนึ่งของพระพุทธเจ้าเป็นคนดีหรือเกินคือพระนางสาวมาวดีแต่ทําไมตอนจบพระนางถูกไฟเผาพร้อมกับนางสนมกำนันในกว่าห้าร้อยคนเพราะว่าถูกไฟ ไม่ตําหนักแล้วหนีไม่ได้สักคนตายหมดเลยตายหมดเลยพร้อมสนมกำนันก็มีคนไปกระทูนถามพระเจ้าว่าก็คนดีแสนดีขนาดเนี้ยทําไมตอนจบศพไม่สวยอย่างนั้นนะค่ะพระเจ้กาก็บอกว่าพวกเธอมองชีวิตคนแต่ในชาตินี้หารู้ไม่ว่าในชาติที่แล้วมาพระนางไปทําอะไรเอาไว้ถ้ามองในชาตินี้ก็ดูเหมือนไม่ยุติธรรมคนดีทําไมตายเพราถูกไฟคลอกค่ะ ถ้าพิสูจซึ่งไม่ไม่มีทิศพระยะเจริญมองเห็นการทํางานของกฎแห่งกรรมก็เลยคิดว่าเห็นไหมคนดีทําไมได้ชั่วพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าเพิ่งคิดอย่างนั้นนั่นเป็นผลแห่งกรรมในชาติที่แล้วส่วนผลแห่งกรรมดีในชาตินี้พระนางดีแน่นอนอยู่แล้วเพราะพระนางเป็นพระสสดาบัลแต่เมื่อยังไม่หมดทุกข์ก็จะเวียนว่ายแต่เกิดต่อไปก็เป็นพระรหัตชนิดที่ว่านอนมาอยู่แล้วล่ะแต่ที่ถูกไฟไม่เพราะอะไรเพราะในชาติปางก่อนพระนางเป็นลูกเศรษฐีไปเล่นน้ําขึ้นมาเรมฝั่งซันหนาว บอกให้ข้าทาสบริวารก่อไฟผิงแก้หนาวผิงไฟเสร็จแล้วเนี่ยไฟลามไปไม่ป่าไม่ไปไม่มาพอไฟมอดปรากฏว่ามีซ่าของพระทุ ด, ดงรูปหนึ่งถูกไฟไหม้ด้วยออท่านนั่งมิปเสนาอยู่ใต้พุ่มไม้ค่ะถ้าไฟลามไปไหมท่านก็หนีไม่ได้เพราะท่านอธิษฐานจิตว่าขอเข้าฌานสมาบัติไฟก็เลยไม่ท่านเป็นตอตะโกที่ดาเศรษถีคนนี้ไปเห็นตายแล้วไฟไหม้พระถ้าเรื่องนี้รู้ถึงคนข้างนอกนะ เราถูกสอบสวนทวนความเรื่องถึงโรคถึงสารแน่นอนก็เลยสั่งค้าบริบาลบอกว่าเอาเหอะไหนๆก็ไหมแล้วเอาเฟืนมาสุมแล้วก็จุดไฟเผาซ้ำข้าทาสก็ช่วยกันเผาพระช่วยกันเ<ป>ผาพระครั้งแรกเป็นการเผาโดยไม่มีเจตนาค่ะยังไม่เป็นกรรมแต่ครั้งที่สองกลัวความผิดสั่งให้เผาจริงๆแต่ด้วยเหตุที่พระร่วมนั้นเป็นพระรหารหลังจากไฟไหม้เสร็จเรียบร้อยแล้วพอถึงเวลาที่ท่านนั่งที่ฐานจิตไว้ ท่านก็ออกจากสมาธิรธรรมกรรมฐานก็เป็นคนตามปกติได้แต่เจตนาของพระนางนั้นได้ทําไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็เป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยฉะนั้นในปัจจุบันชาติถึงแม้จะไม่เป็นสาวิกาคนสนิทของพระพุทธเจ้าเป็นพระสสดาบัณแต่กฎแห่งกรรมนั้นไม่เคยยกเว้นหน้อินหน้าพรทั้งสิน้นใครทําสิ่งใดไว้คนนั้นก็ต้องได้รับเพราะฉะนั้นคนที่ดูเหมือนจะมีความสุขนั่นที่ทํากรรมชั่วในชาตินี้อาจเป็นเพราะกรรมดีในชาติที่แล้วนั่นแหละคือสิ่งที่ถูกต้องมหม้ยความว่า ทำชั่วจนคนเขาก็รู้ก็เห็นแต่ยังดูมันมีความมีความก้าวหน้าเราก็อย่าไปคิดว่าทำชั่วแล้วได้ดีค่ะ<ฆ>ทำดียังคงได้ดีทำชั่วยังคงได้ชั่วแต่การให้ผลของกฎแห่งกรรมนั้นมันรอเวลาอยู่มันซับซ้อนพอสมควรอาตมาจะเปลี่ยนให้ฟังเมื่อเราพาะถั่วงอกเพาะคืนนี้พรุ่งนี้ได้กินเห็นทันใจแต่เมื่อคุณปลูกต้นสักพ่อปลูกพ่อตายรุ่นลูกต้นสักจะโตและตัดขายเห็นไหมกฎแห่งกรรมบางอย่างให้ผลเร็วทันตามเหมือนพ่อถั่วงอก กดแห่งกรรมบางอย่างให้ผลช้าเหมือนกับการปลูกต้นสักแต่สิ่งที่เห็นชัดเจนที่สุดไม่ว่าจะเร็วหรือช้าให้ผลแน่นอนเพราะฉะนั้นกรรมบางอย่างเนี่ยมันตดทอดจากพ่อถึงลูกเชลยฮอนเขาเรียกว่ากรร ม, มพันคือการที่เรามาเกี่ยวข้องกันเนะ่เขาเรียกว่ากรร ม, มพันหมายความว่าคนคนหนึ่งจะมาเจออีกคนอีกคนหนึ่งลูกจะมาเกิดในท้องของคนแม่ กฎแห่งกรรมมันเป็นแรงดึงดูดซึ่งกันและกันมันจะดึงมาหาคนที่เหมาะสมเสมอค่ะเพราะฉะนั้นอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นกรรมพันธุ์เป็นความรู้ทางพุทธศาสนานด้านหนึ่งซึ่งวิทยาศาสตร์ยังคนมาไม่ถึงวิทยาศาสตร์ยังไปได้แค่เพียงชันนิยามค่ะคือกฎเรื่องของการสืบพันธุ์เท่านั้นแต่ยังไม่เอากฎแห่งกรรมเข้าไปร่วมว่ามนุษย์ที่มาเวียนวัยตายเกิดยังมีกรรมะพันธุ์คือความเกี่ยวข้องกันด้วยกรรมมาเกี่ยวข้องอกันก็เหมือนคนที่ปฏิบัติวิปัสนาสมาธิเหมือนกันน่ยมักจะมีเพื่อนในกลุ่มเดียวกัน เห็นไหมก็จะได้กาลยานิมิตที่ดีเจริญพรคนที่เป็นคนเลวเหมือนกันก็มักจะอยู่ในกลุ่มเดียวกันค่ะนนี่เขาโกงเขาก็จะมีเพื่อนที่โกงด้วยกันคนที่เป็นคนมีศีลมีธรรมก็จะมีศีลมีธรรมเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นนี่ไงที่เรียกว่ากรรมมพันธุคนคบกันเพราะมีกรรมเหมือนกันเห็นหรือยังแต่ทีนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือมันอธิบายได้ไหมคะว่าบางครั้งเนี่ยกรรมมันไม่ได้ชดใช้ในช่วงพ่อแม่อาจจะตกทอดมาถึงลูก เป็นคนรับกรรมแทนอันนี้เป็นไปได้ไม่ต้องยกตัวอย่างไกลสมมุติพ่อทําชั่วค่ะลูกสะพ้าภรร ย, ยาของลูกใช้นามสกุลเดียวกันกับพ่อกล้าเดินถนนไหมล่ะถ้าพ่อทําชั่วทําเลวอันนี้ก็เห็นชัดเลยว่าเป็นผลในทางสังค ม, มดังนั้นที่บอกว่ากรรมพันธุ์พ่อทําตกถึงลูกไหมครับตอบคือตกแต่ไม่ได้ตกในลักษณะโดยตรงตกในลักษณะเป็นผลพลอยได้ค่ะเป็นผลข้างเคียง เหมือนเรากินยาสมมติว่าใครนหนึ่งเป็นกระเพาะ อ, อักเสบกินยาครั้งหนึ่งเป็นกรรมการกินไปมากๆผลไปตรงที่ยาตัวนี้ทํางานก็คืออยากจะรักษากระเพาะแต่ผลโดยอ้อมคุณอาจจะตัวบวมชึ้งขึ้นมาก็ได้ค่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นพ่อทําแม่ทําผลก็ไปตกถึงโลกแม้ไม่ใช่ผลโดยตรงแต่ก็เป็นผลข้างเคียงค่ะดังนั้นอย่าไปคิดว่ากรรมใครก็กรรมมันนะกรรมใครก็กรรมมันถูกต้องแล้วอย่าลืมว่ามันมีกรรมมพันธุ์ตามมาด้วยกรรมมันและกรรมมพันธุ์ กรรมใครกรรมมันกรรมพันธนะอย่าลืมเลยไม่เหลือข้องกันไปหมดเลยคือทั้งผู้ทีพูดทั้งหมดนี้ไม่ได้พยายามจะยกตัวอย่างให้มันอินเทรนนะฮะเฉยก่อนอันนี <c oughs> ้ว่าเรากําลังจะบอกว่าเราจะตัดกรรมถ้าเราจะตัดกรรมเราต้องเชื่อในเรื่องของกฎแห่งกรรมแล้วเราต้องอธิบายให้เห็นว่ากฎแห่งแห่งกรรมนั้นมีจริงแบบที่เห็นกับตาเฉยพอนาตนาขอขอยกอย่างนี้ก็ได้ <c oughs> ถ้าไม่เชื่อเรื่องกรรมพันธุ์เอาตัวอย่างในสมัยพุทธกาลเลยค่ะในสมัยพุทธกาลเนี่ย พระเจ้าชาตาศัตรูฆ่าพ่อคือพระเจ้าพิมพิสารค่ะพอพระเจ้าพิมพิสารเสวยราชย์20กว่าปีลูกของพระเจ้าพิมพิสารอ่านประวัติของพ่อเห็นมาพ่อฆ่าปู่ลูกก็แข็งพ่อไปฆ่าปู่ลูกเลยฆ่าพ่อออืขึ้นครองราชแทนพ่อขึ้นมาครองราชเสร็จแล้วหลานมาอ่านประวัติของพ่ออีกอ่านนี่พ่อฉันฆ่าตาฉันก็ต้องฆ่าตระกูลนี้เลยฆ่ากันมาห้าชั่วคนค่ะ เลยเป็นวงปีตุค่าเห็นไหมว่ากรรมพันน่ะมันค่ากันมาเป็นทอดเป็นทอดเป็นทอดน่ะคนรุ่นหลังก็สืบทอดกันมาเป็นทอดเป็นทอดเป็นทอดเนี่ยกรรมพันก็คือกรรมที่มันสืบเนื่องสืบเนื่องกันมาเพราะอะไรเพราะมันเห็นคนรุ่นก่อนทําเอาไว้มันก็เดินตามกันเป็นทอดทอดทอดทอดทอดคําว่ากรรมพันเนี่ยเรียกว่าเป็นการให้ผลของกรรมในเชิงสังคมกรรมเนี่ยจะให้ผลในหลายระดับหนึ่งเมื่อทุกครั้งที่เราทําอะไรลงไปพร้อมด้วยเจตนามันเป็นกรรมค่ะประเด็นแรกที่มันจะให้ผลคือการให้ผลในทางจิตใจก่อน ทำกรรมชั่วปุบจิตมัวหมองไม่สบายใจทำกรรมดีเบิกบานผ่องใสเหมือนท่านทั้งหลายในห้องนี้เบิกบานผ่องใสได้ฟังธรรมะใช่ไหมค่ะกรรให้ผลท่านตาเห็นแล้วในระดับจิตใจสองในระดับบุคลิกภาพเมื่อเราทำสิ่งที่ดีที่งามหน้าตาผ่องใสผิวพรรณดูดีมีน้ำมีนวลถ้าเราทำในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามแม้แต่หน้าตามันก็ดูเครียดใส่สูตรผูก넥ไทยอย่างดีแต่ก็เห็นแววของความเครียดปรากฏทางใบหน้า เห็นไหมนี่คือกรรมทางบุคลิกภาพแล้วต่อมาสามกรรมทางสังคมคนที่ทําชั่วทําเลวไม่สง่าพาเผยในการเข้าสังคมไปออกโทรทัศน์ก็ไม่กล้าไปให้สัมภาษณ์อยู่ในสภาก็เงียบๆเจี๊ยมๆไม่กล้าพูดกลัวใครก็ไม่กล้าสุดตาเพราะอะไรเพราะว่าทําเลวเอาไว้กรรมในทางสังคมก็จะทําให้เขาไม่สง่า ตรงกันข้ามคนที่เขาเป็นคนดีบริสุทธิ์เป็นมิสเตอร์คลีนอยู่ในสังคมเขาจะสังหารพาเผยกล้าพูดกล้าแสดงออกกล้าคิดกล้าทำกล้านํากล้ารับผิดชอบเพราะเขามั่นใจในกรรมดีนี่คือกรรมในเชิงสังคมและอีกประเด็นหนึ่งก็คือกรรมในฐานะที่มันจะเป็นส่วนหนึ่งในการกําหนดชะตากรรมของมนุษยชาตินั่นหมายความว่าถ้าคนทั้งโลกมีความคิดความเชื่อในทางที่เป็นอย่างไรก็ตามถ้าเชื่ออย่างนั้นมากๆ ก็จะเป็นกฎแห่งกรรมในระดับมวลชนเป็นการให้ผลของกรรมในระดับมวลชนมันจะพาสังคมไปทางนั้นเช่นคนไทยบ้าวัตถุนิยมมันก็จะบ้ากันทั้งประเทศยุคหนึ่งคิดว่าเงินคือเป้าหมายสูงสุดของชีวิตนี่คือโลกทัศน์ภาษาภาเรียกว่าเป็นมโนกรรมของคนไทยมโนกรรมคนไทยเอาเงินเป็นใหญ่ก็จะเป็นกันทั้งประเทศมโนกรรมของคนไทยตอนนี้เอาอะไรเป็นใหญ่เอาเทพเป็นใหญ่ก็ไปกันทั้งประเทศมโนกรรมของคนไทยตอนนี้เอาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นใหญ่ก็เป็นกันทั้งประเทศ เห็นไหมว่าสุดท้ายแล้วมนโนกรรมซึ่งเกิดในใจแต่ถ้ามันเป็นใจของคนในระดับสังคมมนโนกรรมของคนทั้งสังคมกรรมําหนดชื้ากรรมของสังคมได้ไหมได้กำหนดชื้อากรรมรรของมนุษยชาติได้ไหมดังนั้นกฎแห่งกรรมจึงไม่ใช่ให้ผลแคบๆอย่างที่เราเข้าใจนะค่ะหนึ่งให้ผลในระดับจิตใจสองให้ผลในระดับบุคลิกภาพสให้ผลในระดับสังคมและสี่ให้ผลในระดับประเทศชาติตลอถึงมนุษยชาติกรรมเรื่องเดียวเนครอบคลุมโลกทั้งโลก แต่เรื่องนี้คนละเรื่องกับทำบุญประเทศใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าทั้งหมดทั้งประเทศมันร่วมมือร่วมใจทำบุญแล้วก็สวดมนกันอย่างเงี้ยครัอาจารย์ก็เป็นผลระดับหนึ่งเราเรียกว่าผลทางจิตวิทยาคือทําให้คนเราเชื่อมั่นว่าเอาละเราได้พากันสวดมนสวดพรจากนี้นิชีวิตก็จะดีขึ้นมันดีขึ้นในระดับความคิดความอ่านของเราคือเราเกิด อ, อุปท า, านว่ามันจะดีแต่ถ้าเหตุมันยังอยู่มันจะดีไหมค่ะสมมุติใครคนหนึ่งป่วยเป็นมะเร็งเชื้อมันยังอยู่ในตัว ไปทำสังฆทานเดี๋ยวมันคงจะหายคุณเข้าใจไปเองว่ามันจะหายแล้วคุณก็จิตใจเบิกบานใช่ไหมกลับมาบ้านทานข้าวได้เยอะเลยเพราะอะไรเพราะคุณหลอกตัวเองได้สำเร็จว่าคุณทำบุญแล้วมะเร็งจะหายแต่เมื่อคุณทัศง์ศไม่ถูกต้องมันจะหายไือก็ยังอยู่ในตัวคุณคดังนั้นคุณได้บุญก็จริงแต่ปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขเพราะผลที่ได้รับมันเป็นผลในระดับจิตตวิทยา แต่สาเหตุที่แท้จริงยังอยู่ครบสมมติว่าเราทำบนประเทศกันครั้งใหญ่ทำทั้งประเทศเลยส่วนบนกันทั้งประเทศแต่เราไม่ได้แก้โล ก, กระทับเรื่องการโกงเป็นความเลวร้ายของสังคมเรายังปล่อยให้โกงเหมือนเดิมเรายังไม่ได้แก้ทัศนะของประชาชนที่คิดว่าสิ่งใดๆจะประสบความสําเร็จก็ด้วยการโดนบานของเทพเจ้าค่ะเรายังไม่ได้แก้ทัศนะของประชาชนที่เข้าใจผิดว่าประชาธิปไตยคือการเลือกตั้งเท่านั้น ประเทศของเราทําบุญประเทศเผด็ทําทั้งปีสุดท้ายจะกลับมานับหนึ่งใหม่เหมือนเดิมเพราะอะไรเชื้อโรคยังอยู่ครบเลยค่ะตอนนั้นจะแก้โรคต้องแก้ให้ถูกโรคจะแก้กรรมก็ต้องแก้ให้ถูกกรรมมาวิธีอย่าป่วยด้วยโรคอย่างหนึ่งแล้วรักษาด้วยยาอีกขนาดหนึ่งไม่ถูกต้องถ้าอย่างนั้นก็เลยพลอยนึกออกว่าจริงๆเราก็มีการทําบุญอะไรแบบนี้ระดับใหญ่ๆมาเยอะนะคะเราก็แจกวัตถุมงคลแจกผ้ายันแล้วก็จกวกจกาาแกจกขวดน้ำมนต์ คือถ้ามันใช่ต้นเหตุแห่งความไม่ดีที่เกิดขึ้นในสังคมจริงเนี่ยมันต้องดีไปแล้วสิสังคมเนี่ยเรา<ะ>ไม่ต้องมาคุอยู่อย่างงี้ใช่ไหมคะการทำบุญประเทศเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ควรทำเพราะอย่างน้อยๆจะทำให้คนไทยสามารถรวมจิตรวมใจการเป็นหนึ่งได้แต่ต้องบอกว่าไม่พอแค่นั้นทำแค่นั้นก็ช่วยได้ระดับหนึ่งแต่เราต้องไม่พอเราต้องมาถามตัวเองต่อว่าหลังจากทำบุญประเทศแล้วเราจะทาอะไรต่อ อย่าไปคิดว่าทําบุญประเทศแลประเทศมันจะดีมันไม่ใช่หรอกเพราะอะไรก็อย่างที่บอกว่าโรคมันยังอยู่ในตัวเชื้อมันยังอยู่ครบค่ะเราทําบุญประเทศนั้นเป็นแค่การแต่งหน้าเค้กเท่านั้นเองใช่ไหม ท, ทําให้ดูดีแต่ยังไม่ใช่การแก้ปัญหาการทาให้ดูดีกับการแก้ปัญหาเป็นคนละเรื่องสมมุติบริษัทของเรามันเจ๊งเนี่ยแล้วเริ่มมีคนพูดกันมากๆเราได้จ้างบริษัทเอเจนซี่มาทำปรัภาพลักษณ์ เอาหามือ image maker มาสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรเป็นองค์กรเชิงบวกแต่ตัวปัญหายังอยู่ในองค์กรค่ะเชื่อไหมว่าภาพลักษณ์นั้นก็จะดีอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวสุดท้ายองค์กรก็จะล่มเหมือนเดิมเพราะอะไรก็ตัวปัญหายังอยู่พราะฉะนั้นการทำบุญประเทศเนี่ยแตมาคิดว่าแน่นอนที่สุดว่าเป็นสิ่งที่ดีงามและควรทำแต่เราต้องบอกตัวเองว่ายัางไม่พ อ, อต้องก้าวต่อไปด้วยการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในเรื่องกรรมของคนไทยให้ชัด สังคมไทยถ้าเข้าใจเรื่องกรรมแก้ปัญหาประเทศได้เพราะกรรมหมายถึงอะไรหมายถึงโลกทัศน์ของสังคมไทยค่ะหมายถึงกระบวนการการสื่อสารสาระความรู้ของคนไทยนี่คือวิจีกรรมค่ะและกายกรรมหมายถึงความสมัครสมานสามัคคีของคนไทยเองที่จะร่วมกันคิดร่วมกันทําจากเรื่องกรรมเรื่องเดียวนี้เอามาบริหารจาัด ก, การประเทศไทยได้ทั้งระบบถ้าหากว่าเราเชื่อเรื่องกรรมเนี่ยเราไม่ต้องไปจ้างฝรั่งมาสอนธรรมะ พ, พิบาลเลยนะพระอาจารย์ไม่จําเป็นเพราะอะไรรากฐานของธรรมะพิบาลคือกฎแห่งกรรม ค่ะ ถ, ถ้าคนถ้าคนเกลียดชั่วกล้าทําดีก็ไม่จําเป็นแล้วเพราะหลักธรรมพิบาลก็สอนเรื่องการไม่ทุจริตคอร์รัปชันเราก็ละอายต่อบาปก็พอจรรยพรฮิริโอ ต, ตะปะข้าศานของกรรมเนี่ยล่ายชั่วกลัวบาปแค่นี้ธรรมพิบาลก็ไม่ต้องไม่ต้องเอาใครมาตรวจสอบไม่ต้องมาสร้างระบบเพื่อจะคาเรื่องกันแล้วกันเลยเจริญพรอันนี้คือปัญหาเพราะว่าระบบเนี่ยมันสั่งมาจากข้างนอกแต่คนจะโกงมันโกงจากข้างในตัวหนังสือเขียนเสร็จไว้ก็พิมพ์ในพิมพ์ไว้ในหนังสือแล้วก็วางอยู่ตามโต๊ะ แต่ในจิตในใจคนมันไม่เชื่อในสิ่งที่เขีย น, นก็ทำเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นคนที่ยังเลวก็เลวเหมือนเดิมโง่ก็โง่เหมือนเดิมเขาไม่เข้าใจตราบใดที่เราไม่เปลี่ยนความคิดความเชื่อของคนนั่นคือไม่ปรับมโนกรรมให้ถูกต้องเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงใครได้เลยพระพุทธเจ้าบอกว่าจิตเตนนานีานยติโลโกแปลว่าโลกหมุนไปเพราะความคิดโลกในที่นี้หมายถึงชีวิตของคนหนึ่งคน หมายความว่าคนคนหนึ่งจะเปลี่ยนวิถีชีวิตอย่างไรก็เพราะว่าเขามีวิธีคิดอย่างไรฝรั่งตอนนี้ก็พูดตามพระพุทธเจ้าแล้วก็บอกว่า you are what you believe ใช่ไหมใช่เชื่อตามพระพุทธเจ้านะคุณเชื่ออย่างไรนะั้นคุณใช้ชีวิตอย่างนั้นเลยหรือบางทีก็บอกว่าคุณมีปรัชญาอย่างไรคุณก็จะใช้ชีวิตอย่างนั้นค่ะดังนั้นถ้าเราจะเอาสังคมไทยให้เปลี่ยนแปลงภายใต้ฐานของกฎแห่งกรรมนะเราต้องดูก่อนว่าตอนนี้มโนกรรมของคนไทยคืออะไรเราเชื่อในเรื่องของคุณงามความดีหรือเปล่า เชื่อในเรื่องของความสุดเจริตซื่อสัตย์โปร่งใสหรือเปล่าคนดังของเราเป็นคนดีนหรือคนดังไม่จะเป็นต้องดีเจารย์ทองอาตมาจึงอยากเสนอว่าถ้าเราอยากจะทำบุญประเทศครั้งยิ่งใหญ่หนึ่งปรับกระบวนทัศน์ในการพัฒนาสังคมไทยให้ชัดว่าเราจะนำพาสังคมไทยไปในทิศทางไหน